บทที่179เมื่อจัดสรรกำหนดหน้าที่พร้อมทั้งกำชับให้รู้ว่าใครจะต้องทำอะไรอย่างไรบ้างตลอดทั้งคืนอันคับขันนี้แล้วรพินก็บอกให้ผู้ที่ยังไม่ถึงเวรยามพักเอาแรงกันไว้ก่อนการอยู่ยามระวังภัยเป็นหน้าที่ของเขาและพวกพลานพื้นเมืองทั้งหมดโดยเห็นว่าทางด้านกลุ่มนายจ้างทั้งสี่ไม่จำเป็นจะต้องมานั่งทางตาระวังอยู่ด้วยให้เสียเวลา เปลืองพลังงานโดยใช่ที่เว้นไว้แต่จะตื่นขึ้นมาร่วมเหตุการณ์เมื่อภาวะวิกฤตขีดสุดเข้าถึงตัวเท่านั้นค่อยตื่นตอนได้ยินเสียงระเบิดก็แล้วกันครับเขาบอกยิ้มยิ้มหรือวิฉนั้นก็ตื่นตอนที่ไอหมาพวกนั้นมาเลียอยู่ตามตัวของเราแล้วก็ได้ชายันพูดค่อยๆพร้อมกับเอ็นกายลงนอนเบียดกรเมียแหม่มของเขาภายใต้โป่งผ้าแบลงกิต สองพี่น้องราชสกุลกำลังจะเตรียมนอนอยู่เหมือนกันแต่ก็ยังเอนหลังไม่ลงนั่งกอดเข่าอยู่บนตำแหน่งที่ยึดนอนโดยเฉพาะดารินเข้าหน้าไม่เป็นสุขนักล่อนนั่งตรวจนับจำนวนกระสุนปืนต่างๆที่ใช้ประจำตัวอยู่ในขณะนี้อันประกอบด้วยไรเฟิลจุดนเวเทอร์แม็กลูกปืนสั้นจุด35และจดลูกกรดแมกนัมพลางพูดขึ้นลอยๆเหมือนจะกล่าวกับตัวเองว่า กระสุนของเราเหลืออยู่ในวงจำกัดเต็มทีแล้วถ้ามีเหตุการณ์จำเป็นจะต้องยิงกันขนาดใหญ่อีกพักเดียวเท่านั้นแหละเบื้องทุกระบอกจะกลายเป็นท่อนเหล็กท่อนไม้ไปทันทีเพราะหมดลูกอีกคราวนี้ก็แยก่กันละเราจะไม่ยอมให้เหตุการณ์ชนิดนั้นมาถึงอย่างเด็ดขาดอย่างนั้นไม่ใช่เหรอผู้กองเชษฐถาตอบพรางหันไปทางจอมพรานปุ๋วรอเอือยอยู่ในลาคอเหมือนอยู่ในอารมณ์ปกติดีที่สุด แน่นอนครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเองก็คำนึงถึงมากที่สุดปืนถ้าไม่มีลูกเสอย่างเดียวก็หาประโยชน์อันใดไม่ถือว่าเป็นภาระหนักเสียด้วยซ้ำถ้ากระสุนหมดเมื่อไรเราก็ต้องโยนทิ้งเมื่อนั้นไม่ว่าจะเป็นกระบอกใดของใครทั้งสิ้น่สําหรับคนอื่นก็ไม่น่าห่วงหรอกครับเพราะเป็นนักเขียมกระสุนด้วยกันอยู่ทุกคนแล้วก็มีอยู่คนเดียวเท่านั้นแหละที่เป็นเสือปืนเร็วมากกว่าใครทั้งสิน้น ประโยคหลังเขาพูดในน้ำเสียงล้อเลียนสับพะยอดารินเท่าทันยิ้มจิตจืดว่าฉันใช่ไหมละ่ะเอาเถอะต่อไปนี้ฉันจะพยายามเป็นเสือปืนฝืดเพื่อประหยัดกระสุนให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้จะไม่ทําให้กระสุนสิ้นเปลืองไปโดยเปล่าประโยชน์อีกแม้แต่นัดเดียวว่าแต่ถามจริงจริงเถอะรพินสถานการณ์ในคืนนี้นะ่ะมันหนักมากไหมเห็นคุณยิ้มจิ้มหัวร้องง่ายๆแบบนี้นะ่ะมันทําให้ใจคอฉันไม่ค่อยดียังไงพี่กุล บอกตรงๆแต่ไหนแตไรมาแล้วฉันไม่เคยอ่านสภาพของเหตุการณ์อื่นใดทั้งสิน้นนอกจากใช้วิธีสังเกตดูลักษณะท่าทีของคุณเท่านั้นแล้วก็ไม่พลาดสักทีอย่างที่เคยบอกแล้วถ้าคุณทำเป็นใจเย็นยิ้มระร่น อ, อยู่อย่างเงี้ยก็เชียตายทุกทีที่นาจอมพรานหัวเราะเสียงดังขึ้นด้วยความรู้สึกขบขันแท้จริงเสียงพูดและหน้าตาของดารินวราริศทาให้บังเกิดความน่าสงสารเป็นอย่างยิ่งถึงยังไงเสีย เขาก็อดที่จะรำพึงในใจอยู่ไม่ได้ตลอดเวลาว่าไม่น่าเลยที่สุภาพสตรีผู้บอบบางน่ารักผู้นี้จะต้องมาใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางมหันตภัยแวดล้อมรอบด้านจนแทบไม่มีเวลาได้หายใจเช่นนี้หลนช่างรนหาที่เองแท้ๆทีเดียวเรื่องของเรื่องก็คือพี่ชายรักและตามใจเกินไปนั่นเองครับถ้าผมยิ้มละรื่น อ, อยู่อย่างนี้ก็หมายถึงว่าเราเฉียดตายกันเท่านั้น ความจริงเราก็เฉียดตายกันมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วในการเดินทางครั้งนี้นะครับแต่ขอให้สังเกตไว้อีกทีหนึ่งถ้าผมนั่งร้องไห้เมื่อไหร่แล้วก็เราจะปลอดภัยสบายดีที่สุดไม่มีเรื่องอันตรายใดๆมาแพร่ผ่านทั้งสิ้นครับสำหรับคืนนี้ผมอยากจะให้คุณหญิงสวดมนต์ภาวนาถึงฤาษีโกลทัญญะด้วยขอให้ท่านบรดาลปัดเป่าอย่าให้หมาฝูงนั้นสนใจกับพวกเราเลยแล้วก็ขอให้มันเคลื่อนผ่านไปซะ ซึ่งมันก็น่าจะเป็นไปได้ถ้าวัาสนาจะให้เราเดินทางต่อไปได้สำเร็จผลสมปรารถนาเพราะเราทั้งหมดก็ปฏิบัติเคร่งครับต่อคำตักเตือนจั่งสอนของท่านมาทุกระยะแล้วผมเชื่อว่าคุณหญิงมีอำนาจจิตแรงพอที่จะติดต่อกับท่านได้ดารินฝืนยิ้มอีกครั้งฉันรู้นะว่าคุณชอบพูดเล่นในภาวะเช่นนี้แต่ฉันก็จะพยายามทาดูตามที่คุณแกล้งพูดนั่นแหละ ซึ่งก็ไม่แน่เหมือนกันนะมันอาจจะเป็นผลดีจริงๆขึ้นมาก็ได้ระพินปีกตัวขึ้นไปยังบริเวณอันกว้างใหญ่ด้านบนเหนือที่พักซึ่งขณะนี้แง่ทรายถูกกำหนดให้เป็นยามแรกเฝ้าเหตุการณ์อยู่ตามลำพังท่ามกลางความเงียบสงัดและความมืดอันเยียบเย็นพระจันทร์คืนสี่ข้ารูปคิวนางปรากฏแขวนอยู่บนฟ้าหมนมัวสีตะวันตกสองแสงสลวยอยู่ในกลุ่มหมอก ร่างของจอมพันเจอนนั่งเป็นเงาตะคุ่มโดดเดี่ยวอยู่บนพื้นหญ้าอันเปียกชุ่มไปด้วยละอองน้ำมีผพพ้าผวยกาเก่าคลุมอยู่บนไหลหันหน้าไปทางทิศตะวันตกสงบนิ่งเป็นดุจสนีประดุษตอไม้โดยไม่ไหวติ่งหรือแสดงปฏิกิริยารับรู้ใดๆทั้งสิน้นแม้ว่าพรานใหญ่จะเดินเข้ามาหยุดยืนคาศีรษะอยู่เกือบชิด ต, ตัวความเงียบของบรรยากาศแวดล้อมรอบด้าน อุปทานประหนึ่งว่าจะได้ยินเสียงกระซิบของยอดหญ้าที่แวดล้อมอยู่รอบกายเสียงหยาดพรมของเกร็ดหิมะบนยอดเขาสูงขึ้นไปและเสียงกัดแทะกระดูกแรกใหญ่โดยไอ้หมาป่าฝูงนั้นนานๆจะได้ยินเสียงเห่าหอนของพวกมันลอยลมมาแต่ไกลเป็นครั้งคราวนี่ถ้าพวกมันจะผ่านขึ้นทางเนินนี่มันก็จะยกขยงกันมาจากทางด้านเหนือแต่ก็เสือกหันหน้าไปทางตะวันตก เสียงเบาต่ำของพรานใหญ่ดังทำลายความเงียบขึ้นเรายิ้มจางๆปรากฏขึ้นบนริมฝีปากงามได้รูปนั้นดูเหมือนจะไม่สนใจยิงยนกคาเปรยของเขาตาเป็นประกายทั้งคู่ทอดมองขึ้นไปยังจัน์เซียวบางซึ่งกำลังจะรับเหลี่ยมเขาสิวเทพเงียบเฉยอยู่คู่ใหญ่ก่อนที่จะพึมพาเหมือนกะกล่าวกับตนเองว่าคืนนี้จันเป็นรูปคิวนาง แต่พรุ่งนี้จะเป็นรูปเขียวรพินแงน่าขึ้นมองตามพินิษนิ่งอยู่นั่นตามไปด้วยแต่หน้าที่ของแกในขณะนี้ก็คือคอยดูหมาในรกพวกนั้นนะไม่ใช่คอยดูพระจันทร์แต่ผู้กองก็ทราบดีถ้าตากระผมนี่ว่ามันจะยังไม่เคลื่อนมาทางนี้ตอนหัวค่าถ้าจะมาก็ตอนดึกหรือใกล้รุ่งเออแกอาจเชื่อช่นนั้นแต่ฉันไม่เชื่ออะไรสักอย่างเดียว มันจะมาเมื่อไหร่ก็ได้ทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นฉันถึงได้สั่งให้แกมาคอยระวังดูอยู่เป็นยามแรกนี่ไงที่ผู้กองให้ผมมาคอยรับหน้าที่เป็นยามแรกก็เพียงต้องการจะเปิดโอกาสให้ผมได้มีเวลาพักผ่อนติดต่อกันไปตลอดรุ่งภายหลังจากหมดเวียามช่วงนี้และสั่งหากนั่นนะ่ะเป็นความการุณาของผู้กองที่มีต่อผมรือไม่ต้องการให้ผมรู้ตัวขอบคุณครับ นานๆครั้งที่ผมจะรับความเมตตาอย่างนี้จากผู้กองสักทีนี่มีอะไรบ้างไหมที่จะไม่รู้เกี่ยวกับฉันน่ะมีครับผมไม่ทราบว่าผู้กองจะนําพวกเราทุกคนขึ้นเทือกพระศิวะสําเร็จหรือไม่ในวันพรุ่งนี้มันเกินความคาดคะเนของผมจริงๆครับแล้วก็ไม่ทราบด้วยว่าผู้กองวางแผนคิดอ่านไว้ยังไงเมื่อเวลาสําคัญมาถึง ระพินไพรวันหยิบบุรีใบตองแห้งขึ้นมาคลึงช้าๆในนิ้วแล้วยกขึ้นใส่ปากกัดไว้แกวิตกมากในข้อนั้นแงทสายครับผมวิตกมากครับถ้ามันจะสำเร็จมันก็สำเร็จแต่ถ้ามันไม่สำเร็จก็ช่วยไม่ได้ทึ่ก็ดีเหมือนกันฉันก็จะได้กลับบ้านสักทีฉันเหนื่อยมากแล้วแล้วก็ทำงานรับใช้พวกนายจ้างเข้ามาเกินเงินค่าจ้างมากแล้วด้วย ว่าที่จริงแล้วนะแกนั่นแหละควรจะต้องเป็นผู้ที่สแสวงหาทางให้ได้มากกว่าฉันเสียอีกเพราะความหวังทั้งมวลของแกอยู่ในความสําเร็จข้อนี้ซ้ําวันนี้แกก็ยังอุตสาหหาทางพิสูจน์ให้คณะเจ้านายของเราแน่ใจเสีอีกว่านายชดกนันอินยังมีชีวิตอยู่รอดและตัดทางขึ้นเทือกพระศิวะได้สําเร็จล่วงหน้าไปก่อนแล้วผมทําผิดกับครับที่พิสูจน์เช่นนั้นเออ แกก็ไม่เคยทำอะไรผิดหรอกเง่ไซายถูกต้องแม่นยำต่อเป้าหมายความต้องการส่วนตัวแกเองมาทุกระยะเป็นจังหวะจักโคลมท่ทีเดียวแหละเงซายไม่สนใจกับคำพูดกึ่งประชดของเขาตามเคยเปลี่ยนสายตาไปจับอยู่ที่เดือนเซียวบนท้องฟ้าซีตะวันตกอีกครั้งอย่างพินิษคร่ควรหนักพึมพ์ันเหมือนจะพูดกับตนเองอยู่เช่นนั้นพรุ่งนี้แล้วสินะ ที่เดือนจะเป็นรูปปิ่นพระศิวะนี่ก็นั่งดูอยู่นานแล้วเหรอเขาถามโผลงออกมาก็ตั้งแต่ผู้กองใช้ผมขึ้นมาเฝ้าที่นี่ผมก็นั่งดูมันอยู่คนเดียวมาตลอดตั้งใจว่าจะจับตาเฝ้าดูมันจนกว่ามันจะรับไปจักทองฟ้าดูแล้วเกิดสติปัญญาอะไรขึ้นมาบ้างละ่ะแง่ส า, ายยิ้มเยือกเย็นสันศีสันแช่มช้า ขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้มันก็ยังไม่ได้เกิดสติปัญญาอะไรขึ้นมาแก่ผมทั้งนั้นแหละครับแต่พรุ่งนี้สิครับมันอาจให้ปัญญาอะไรแก่ผมขึ้นมาบ้างก็ได้ถูกแล้วครับผู้กองแง่สายจะต้องพยายามจนสุดสติปัญญาความสามารถที่จะค้นพบทางให้ได้ตามปริศนาของลายแทงและอาจเป็นการพยายามอยู่คนเดียวโดยไม่ได้รับการสนับสนุนร่วมมือจากผู้กองเลยก็ได้ เพราะอย่างที่ผู้กองได้ลั่นปากออกมาเองแล้วผู้กองไม่แคร์ว่าจะพบทางหรือไม่แต่ผมแคร์ครับผู้กองทานใหญ่สบัดซิปโปในมือแรงๆสองสามครั้งและจุดต่อกะบุรีใบตองแห้งที่คาบอยู่ในปากนี่ไงาทรายเขาก็น่าจะต้องเห็นใจฉันบ้างเหมือนกันไม่ใช่เหรอเงาทรายยิ้มอีกครั้งก้มศีรษะลง ผมหินใจผู้กองครับแล้วก็รู้สึกเกรงใจอย่างยิ่งที่เป็นตัวการสำคัญดำเนินการโดยทางอ้อมบีบบังคับให้ผู้กองต้องนำคณะเจ้านายทุกคนเดินทางรุดหน้ามาเรื่อยๆช น, นิดที่ไม่อาจหันหลังกลับได้สักทีระพิงยิ้มบ้างยักไหล่นิดหนึ่งก็เป็นการดีที่แกยอมรับสารภาพออกมาตรงๆเช่นนี้เอาละฉันรับปากแกแล้วนี่ว่ พรุ่งนี้ฉันจะให้การร่วมมือช่วยเหลือแกอย่างเต็มที่ในการแสวงหาทางเดินรุดหน้าต่อไปเพื่อผลประโยชน์ส่วนใหญ่ของแกโดยเฉพาะซึ่งมันอาจจะเป็นความหายนาพินาศของตัวฉันเองรวมทั้งพวกเราทุกคนผมรู้มานานแล้วครับว่าผู้กองเป็นคนมีเหตุผลกล้าหาญเสียสละและไม่ทอดทิ้งผู้ใต้บังคับบัญชาเลยไม่ว่าคนคนนั้นจะมีความหมายน้อยนิดสักเพียงใด Um, ก็ไม่แน่นักนะการยอมรับป่ากกับแกในครั้งนี้เนะี่ยบางทีจะเป็นเพราะฉันจำนนต่อเหลี่ยมคูโกนอุบายหลอกโลกแล้วก็จิตวิทยาของแกก็ได้ใจผมกราบลงแทบเท้าของผู้กองเดี๋ยวนี้ก็ได้ครับว่าผมไม่ได้มีอุบายเลขคนใดๆกับผู้กองเลยทั้งสิ้นครับ <S <S นอกจากจะเป็นการร้องขอความช่วยเหลือร่วมมืออย่างบริสุทธิ์ใจจริงๆครับ ผมเคารพศรัทธาและเชื่อมั่นผู้กองมากนะครับผมเคยพูดไว้หลายครั้งแล้วว่าถ้าปราศจากผู้กองแล้วผมคงไม่พบความสำเร็จรพินไพรวันสุดตัวลงนั่งใกล้ๆแง่ทรา ย, ายถอนใจยาวออกมาอีกครั้งเออไอสนเน่ของแกมันก็อยู่ที่ความอ่อนหวานประกอบไปได้วยวาทะสิง น, นี่แหละวะแง่ทรา ย, ายเขาพูดแล้วแง้มมองจันทร์เสี้ยว ฉันคิดว่าแกทําถูกแล้วล่ะที่พยายามสังเกตเส้นทางโคจรและรูปลักษณะของเดือนในคืนนี้ไว้เป็นทุนล่วงหนะ้าเพราะถึงยังไงซะคืนพรุ่งนี้พวกเราทั้งหมดก็จะต้องเอาใจใส่คอยสังเกตยอยู่แล้วฉันออกมาที่นี่เดี๋ยวนี้ก็ต้องการจะมาดูพระจันทร์บนเนินจันทร์เหมือนกันก็พอดีเห็นแก น, นั่งมองอยู่ก่อนนะผมทราบครับว่าผู้กองคงไม่ผ่านความสนใจเดือนเสี้ยวคืนนี้ไป เ, เช่นกัน ว่ามันมีลักษณะใกล้เคียงกันอยู่แล้วกับที่เราจะพิจารณาดูในคืนพรุ่งนี้เพียงแต่กรอบความสว่างจะขยายใหญ่ขึ้นและเด่นชัดขึ้นกว่าคืนนี้ครับฉันไม่เคยสนใจกับรูปลักษณะของพระจันทร์ข้างขึ้นอ่อนๆมาก่อนเลยนะก็เพิ่งจะมาสังเกตเลาเดี๋ยวนี้เองว่าลักษณะขึ้นสี่ข้ามน่ะมันเป็นรูปเส้นโค้งบางๆเหมือนคิ้วผู้หญิงอย่างแก้ว่านั่นแหละแล้วคงจะขึ้นบนท้องฟ้ามาก่อนตะวันตกดินนานทีเดียว เพราะขนาดหัวค่ำนี่มันก็ทำท่าจะตกใช่แล้วแต่ให้ตายเถอะดูๆไปแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรน่าสนใจจนนิดเดียวถึงคืนพรุ่งนี้มันก็คงจะคล้ายๆกันน่ะแหละวะกองครับสังเกตที่เงาตะคุ่มด้านตะวันตกซึ่งเดือนเชี่ยวกำลังจะลอยต่ำลงไปหานะไหมครับกองเห็นไหมรบพินเม้นตาฝาความมืดสลัวจ้องตามการชี้บอกแล้วครางอือ เขาพระสิวะยอดเขาสิวะเทพครับผมกะว่าอีกไม่เกินชั่วโมงมันจะรับตาลงทางยอดเขาสิวะเทพน่แหละครับถึงคืนพรุ่งนี้ก็เหมือนกันเดินจะตกทางยอดเขาลูกนี้คือรับจากสายตาของเราขณะที่ยืนอยู่บนเนินจันนี่ก่อนเวลาตกรับเหลี่ยมโลกแท้จริงเดือคร้อยต่ำไปถูกยอดเขาบังซะก่อนเพียงแต่เวลาตกจะผิดกันไปบ้างเท่านั้น ยิ่งข้างขึ้นแก่ขึ้นเท่าไรเวลาตกก็จะยิ่งดึกเพิ่มขึ้นเป็นลำดับเท่านั้นอืมแล้วยังไงแล้วยังไงไงทายยกมือขึ้นจับปลายคางในลักษณะครุ่นคิดหนักผมคิดว่ามันน่าจะมีอะไรสืบโยงเกี่ยวพันกันอยู่แน่นอนระหว่างพระจันทร์ห้าค่ำรูปปิ่นระสิวะกับภูเขาที่ชื่อสิวเทพซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตก อันเป็นทิศทางที่เดือนจะต้องคล้อยต่ำไปทางด้านนั้นแต่ก็ยังนึกไม่ออกว่ามันจะเกี่ยวพันกันยังไงภายหลังจากนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งพรานใหญ่ก็กล่าวเสียงต่ำๆว่าก็เข้าๆมากกันนะตามที่แกตั้งเป็นข้อสังเกตไวน้นี่แต่ฉันเองก็ยอมรับนะว่ายังมองอะไรไม่เห็นมากไปกว่าแกเหมือนกันอง์ครับ พรุ่งนี้เดือนขึ้นและเวลาตกเท่าไหร่แล้วครับแง่ทรายถามรันใหญ่สันหัวฉันก็ไม่รู้แน่นอนเหมือนกันวะ่ะต้องถามนายทหารอีกทีนึงเพราะเขามีปฏิทินละเอียดอยู่ที่ตัวคงบอกได้คืนนี้แก ค, คอยสังเกตจดจําไว้ก็แล้วกันว่าเดือนตกเมื่อไหร่ยังไงทํามุมกับเขาศิวเทพในองศายังไงก่อนจะสิ้นยามของแกเดือนคงลับหลังเขาลูกนั้นไปแล้วละ่ะพรุ่งนี้เราทั้งหมดจะต้องช่วยกันพิจารณาอีกทีหนึง่ง พร้อมกับกล่าวเขาตบไหล่แงซายเบาๆแล้วลุกขึ้นยืนบอกต่อมาว่าฉันจะกลับไปนอนสำหรับแกไม่จำเป็นจะต้องอยู่ยามที่นี่เกินไปจากเวลาที่แบ่งสรรกันไว้เรียบร้อยแล้วนะครบเวลาเมื่อไหร่ก็ลงไปปลุกบุญคำให้มาเข้ายามต่อแล้วกันครับเชิญผู้กองเถอะครับแงซายรับคำอย่างอ่อนโยนรับพินโบกมือให้และเดินลงจากเนินบ่ายหน้ากลับลงมาอย่างที่พับ ก่อนจะก้าวเข้าไปใต้เพิงชะงอนหินอันเป็นที่พักนอนของพรกพวกทุกคนในขณะนี้เขาก็ชะงักเล็กน้อยเมื่อเหลือไปเห็นเงาตะคุ่มของใครคนหนึ่งยืนเด่นอยู่ริมปากทางในระหว่างหมู่หินเล็กๆเสียงเรียกนามเขาเบาๆทาให้จําได้ทันทีว่านั่นคือคุณชายเชษฐาระพินจึงตรงเข้าไปหาอะคุณชายออกมาทําไมเหรอครับท่านหัวหน้าคณะหัวเราะ แต่สำเนียงดูจะแปลงผ้าออกไปยังไงพิกนคุณมาก็ดีละพกุกโกไม่ยืนใกล้ๆผมที่นี่ก่อนแล้วกันอะเงียบๆเฉยๆนะแล้วก็มองลงไปข้างล่างที่ลำห้วยนะั่นแล้วช่วยบอกอีกทีสิว่าคุณเห็นอะไรอย่างที่ผมกับ น, น้อยเห็นเมตกี้นี่หรือเปล่าเพราะเราสองคนก็ไม่แน่ใจว่าตาจะฝาดไปหรือเปล่าจอมพรานขมวดคิ้วโดยแรงจ้องหน้าท่านหัวหน้าคณะขม็ง แล้วเหลียวตามที่ชี้บอกลงไปโดยเร็วเขาพยายามจ้องฝาเงามืดสลัวคลุมเครือนั้นลงไปไม่อาจเข้าใจความหมายที่เชิฐาพูดได้เลยทั้งสิน้นอึดใจใหญ่ที่เขาสงบนิ่งยืนเคียงเชิฐาจ้องตามการชี้บอกอยู่เช่นนั้นก็ยังไม่สามารถจับเขาเงื่อนใดๆทั้งสิน้นจึงหันมามองหน้าอดีตท่านทูตทหารบอกอีกครั้งมีไรหรอครับคุณชาย เชิดขาห่อไหลลงแล้วหัวรอกออกมาอีกครั้งอตอนนี้มันหายไปซะละแต่เมื่อกี้น่ะเห็นชัดทีเดียวไอ้เจ้าว่าตาฝาดก็ใช่ที่นะพระสองสายตาน่ะเห็นอย่างเดียวกันน้อยเห็นก่อนสะ ก, กิดให้ผมดูผมก็เห็นอย่างที่น้อยเห็นพอเดินตามออกมามันก็ลอยหนีไปไหวตัวพยเยอร์พย์าบอยู่ที่ลำห้วยข้างล่างนั่นพวกคุณเดินลงมานี่ ผมมองไปอีกทีก็หายไปซะละไม่ทันจะขาดเสียงพูดของเชษฐาซึ่งระพินก็ยังไม่อาจเข้าใจได้เหมือนเดิมใครอีกคนหนึ่งก็ย่องออกมาจากแคมป์ักนอนเข้ามาสมทบอีกคนหนึ่งดารินนั่นเองในมือมีไฟฉายและไรเฟิลพร้อมหน้าตาตื่นซีดมีอาการเลิกหลััอยังไงบอกไม่ถูกทาให้พรานใหญ่พิสวง์เหลือที่จะกล่าว อะไรกันโปรดบอกให้ชัดสิครับเขาร้องออกมาเบาๆผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะว่าเป็นอะไรผู้กองท่านหัวหน้าคณะพูดเสียงเบาเหมือนกระซิบคือผมกับน้อยกำลังจะนอนขณะที่คุณแยกขึ้นไปบนโนนพอคุณไปได้สักะเดียวๆเท่านั้นแหละน้อยก็สะกิดลุกผมให้ลืมตาขึ้นล้วสองคนมองออกมานอกเพลิงพักตรงตาแหน่งที่เรายืนกันอยู่เดี๋ยวนี้แหละ ลักษณะของมันเหมือนคนเอาผ้าขาวคลุมไว้ตลอดทั้งหัวจะรดเท้ามาลอยเคลื่อนไหวงนเงนอยู่ที่นี่แขนยาวมีส่วนปลายงองุ่มเหมือนเท้าสัตว์โบกแกว่งกัดอยู่ตลอดเวลามีอาการเหมือนจะเข้าไปในแคมป์ที่พวกเราพักนอนกันอยู่ในขณะ น, นี้แต่ก็ไม่เข้าแล้วก็เริ่มจะเคลื่อนถอยหลังห่างออกไปอีกเมื่อเราสองคนลุกขึ้นนั่งพออาไฟฉายส่องก็มองไม่เห็นอะไร แต่พอดับไฟสักครู่ก็มองเห็นเนี่ยการเดิมอีกสภาพของมันมีแสงเรืองในตัวเองเหมือนพวกกระสือและเป็นพลังงานโปร่งแสงแบบเดียดกระเงาลักษณะดังกล่าวของมันสอบได้ตรงกันในระหว่างผมกับ น, น้อยที่มองเห็นอยู่พร้อมๆกันผมก็เลยเดินตามมันออกมาที่นี่เพื่อจะได้ดูให้แน่ชัดพอผมออกพ้นที่พักมันก็ลอยหนีลงไปอยู่ที่ลำธารข้างล่างนั่น รู้สึกว่าจะมีอยู่หลายเงาทีเดียวเพื่จะหายไปหมดก็ตอนที่คุณเดินลงมาเนี่ยระพิน์ไรวันอ้าปากค้างเขาแทบจะไม่เชื่อหูในสิ่งที่ท่านหัวหน้าคณะกล่าวหันไปมองหน้าดารินผู้กระชับไรเฟิลมือสั่นอยู่ในขณะ น, นี้หล่อนก็พยักหน้าลงพูดออกมาอย่างยากเย็นว่าเชื่อเธอระพินที่พี่ใหญ่บอกคุณนะ่ะมันเป็นความจริงทั้งหมด ถ้าเป็นการตาฝาดเราก็ตาฝาดไปพร้อมๆกันซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วพระให ญ, ญ่ยืนตะลึงไปชั่วขณะจิตในคำบอกเล่าประหลาดที่ไม่เคยคาดฝันมาก่อนเขาไม่เชื่อดานจนนิดเดียวเพราะหลอนอาจตาฝาดไปได้สารพัดแต่เชิฐาววาริษท่านหัวหน้าคณะจะไม่มีวันตาฝาดหรือมีอาการประสาทหลอนไปเองอย่างเด็ดขาดท่านผู้นี้มีสติสัมปชัญญะ และพิจารณาญาณอันทีท้วนรอบคอบที่สุดประกอบกับจิตใจอันเข้มแข็งมั่นคงไม่ได้สะดุ้งวาดกลัวต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งสิ้นเขาเชื่อเชตดาวราริชเชื่อได้เท่าเท่ากับเชื่อตัวเองได้มีใครเห็นอีกบ้างไหมครับเขาถามเร็วปรือก็มีเราเห็นกันอยู่สองคนนี่เท่านั้นนอกนั้นทุกคนหลับหมดและผมก็ไม่ได้ปลุกบอกให้รู้ ก็มันหัวค่ำอะทุกคนเพิ่งจะงีบกันไปหยกๆยกนี่เองมันเป็นสัตว์บางชนิดหรือเปล่าล่ะครับเขาเน้นถามเพื่อให้แน่ใจอีกครั้งถ้าเป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์พิสดารที่สุดละคุณหรือไม่งั้นก็มีภาวะกายล่องหนปรากฏรูปร่างขึ้นได้และหายไปได้โดยไม่มีร่องรอยอะไรให้เห็นจนนิดเดียวส่วนลักษณะที่มันเคลื่อนเข้ามาใกล้ที่พักของเรานะ่ะ ผมก็ดูชอบกล น, นะผมไม่คิดนะว่ามันจะมาดีเพราะพอเรารู้ตัวมีการเคลื่อนไหวสนใจกับมันมันก็มีปฏิกิริยาในการรับรู้เตรียมระวงังพลถอยหนีได้เหมือนกันผมก็รู้ล่วงหน้าแล้วว่าถ้าบอกคุณคุณก็จะไม่เชื่อเว้นแต่จะเห็นอย่างที่ผมก็ น, น้อยเห็นเท่านั้นแหละความจริงเมื่อคืนวา น, นเราก็พักกันอยู่ที่นี่แต่ไม่เห็นวิแววอะไรสักอย่างเดียวเพิ่งจะมาพิกนเอาคืนนี้แหละ มันแปลกนะคุณแปลกจนบอกไม่ถูกอะ่ะระพินเหลียวไปมองรอบๆเม้มริมฝีปากแน่นแล้วว่ากลับก็เไป็นแคมป์เถอะครับถ้ามันจริงอย่างที่คุณชายกับคุณหญิงเห็นเชื่อเถอะครับแต่เดี๋ยวมันก็ปรากฏขึ้นอีกด้วยความรู้สึกตะครั้นตะครอยยังไงบอกไม่ถูกพรานใหญ่ชวนนายจ้างผู้สูงศักดิ์ของเขาทั้งสองกลับเข้าไปภายในบริเวณอันเป็นที่พัก ทั้งสานั่งลงยังตำแหน่งอันเป็นที่นอนของตนซึ่งตามปกติก็รวมกลุ่มอยู่ใกล้ชิดกันนั่นเองดารินมีอาการขนลุกเกลียวเกลียวอยู่ตลอดเวลาส่วนเชษถาเก็บความรู้สึกได้ดีที่สุดเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นทั้งสิน้นเพียงแต่ค้าวหน้าเท่านั้นที่สออาการชงนระคนงุนงงระพินกว่าตามองไป ร, บรอบๆที่พักจากแสงตะเกียงแบตเตอรี่ซึ่งเปิดไว้ให้ความสว่างเพียงรา ง, ราง เชยันกมามเรียมุด ต, ตัวอยู่ภายในโปรงหลับสนิทไปแล้วส่วนพลานพื้นเมืองทุกคนก็นอนเรียงรายรวมกลุ่มกันอยู่อีกด้านหนึ่งไม่ห่างออกไปนะักส่งเสียงกรนอยู่เป็นระยะระยะเมื่อกี้นี้คุณขึ้นไปตรวจบนเนินทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยดีเหรอมพงษ์งย์ทรายไหมท่านหัวหน้าคณะกระซิบถามครับเรียบร้อยครับเงษายเฝ้ายาน อ, อยู่บนนั้นเป็นปกติ ห่างจากเราพักนี้ขึ้นไปไม่ถึง300รอยเมตรครับคุณเข้าไปจนถึงตัวแงไซายและพูดอะไรกันบ้างหรือเปล่าล่ะดารินถามบ้างเต็มด้วยความคลางแคลงอย่างประหลาดใจครับก็พูดคุยกันพักใจเหมือนกันยังไม่มีวี่แววว่าไอ้พวกหมาเหล่านั้นจะเคลื่อนขบวนมาทางนี้ตอนหัวค่ำเลยนี่บางทีมันอาจไม่มาเลยก็ได้นะครับเพราะมีฝูงสัตว์อื่นอีกมากมาย ที่จะให้มันสนใจยิ่งสักกว่าพวกเราเจตถาเลิกแขนเสื้อขึ้นดูนาฬิกาข้อมือตอนนี้สองทุ่มสี่สิบห้านาทีละเขาพึมพำดูดึกยังกะเที่ยงคืนเอาละเราอย่าไปสนใจอะไรกับมันเลยไม่ว่ามันจะเป็นอะไรทั้งสิน้นจนกว่ามันจะเข้าถึงตัวค่อยว่ากันไปตามเรื่องอนอนเอะหลังก็เถอะอดีต ท, ท่านทูตทหารบก โอบแขนรอบไหล่น้องสาวไว้ยิ้มให้อย่างปลอบใจและชวนให้นอนลงเคียงข้างเขาดารินเอ็นกายลงตามคำสั่งก็จริงแต่ตาทั้งคู่ยังลืมพลงส่วนพรานใหญ่ก็นอนลงยังที่ของเขาซึ่งเคียงชิดกระเชฐาในลักษณะเรียงแถวหน้ากระดานศีรษะของทุกคนหันเข้าหาผนังชะง่อนหินปลายเท้าชี้ออกไปข้างนอกอันเป็นวิธีเลือกงุมนอนตามปกติ ในเวลาพักแรมวางแคมป์ทุกครั้งการเงียบเสียงพูดระหว่างพี่ชายกับพรานใหญ่อัน ท, ทําทีเหมือนกับว่านอนจริงหลับไปจริงๆแล้วทำให้ดารินผู้ยังลืมตาค้างอยู่กระสับกระส่ายมันดูราวกับว่าทั้งสองจะปล่อยให้หลอนตื่นอยู่ตามลำพังคนเดียวฉะนั้นในภาวะเช่นนี้พี่ใหญ่คะอย่าเพิ่งหลับก่อนที่คะ่ะนานอนขึ้นหนาน้อย ระพินกลับมาแล้วคงไม่มีอะไรหรอกพี่ใหญลืมอะไรที่เราเห็นเมื่อกี้นี้แล้วเหรอคะก็อย่าไปคิดอะไรถึงมันเลยนาน้อยบางทีเราอาจจะตาฝาดไปพร้อมๆกันก็ได้แต่น้อยนอนไม่หลับค่ะประสาทมันตึงเครียดยังไงบอกไม่ถูกอ่ะหลับตาซะเดี๋ยวก็หลับเองหรือจะสวดมนต์ภาวนาก็ได้นั่นแ่ะเป็นวิธีที่ทําให้หลับได้เร็วที่สุด พี่ชายตัด บ, บทความเงียบย่างเข้ามาปกคลุมที่พักนอนอีกครั้งแต่ชั่วไม่เกินสองสามนาทีดารินผู้หลับไม่ลงก็อุทรขึ้นอีกคราวนี้หลอนเรียกชื่อพรานใหญ่เหมือนจะอย่างเสียงก็ได้ยินเสียงขานตอบรับมาเบาๆระพินคุณจะนอนเหรอหล่อนถามถ้าผมลุกขึ้นนั่งเฝ้ายามแล้วจะทำให้คุณหญิงสบายใจหลับได้ผมก็จะเฝ้ายามให้ครับ เสียงตอบมาอย่างอ่อนโยนเอาใจเป ล, าล่าหรอกฉันไม่ได้หมายความอย่างนั้นหรอกหางเสียงของดารินกระวนกระวายฉันเพียงแต่จะถามว่าเราสามคนควรจะหลับลงหรือไม่ในภาวะเช่นนี้ฉันรู้สึกสังขอนใจยังไงบอกไม่ถูกนะบอกตามตรงอะ่ะไม่ได้คิดกลัวไอ้หมานรกพวกนั้นหรอกเพราะเรามีการป้องกันที่รัดกุมที่สุดแล้วมาเมื่อไหร่ก็รับมือมันได้เมื่อนั้น แต่อะไรที่ฉันกับพี่ใหญ่เห็นเมื่อตะกี้นี้เนะี่ยมันเตื่นสัญชาตญาณของฉันว่าเราจะหลับลงไม่ได้เลยนะถ้าเผลอหลับกันทั้งหมดมันเป็นต้องเข้าถึงตัวแน่ๆเราไม่ถูกด้วยว่าอะไรจะเกิดขึ้นพิเรียท่าทางของมันนะฉันว่ามันไม่น่าไว้ใจเลยจนนิดเดียวนะคุณหญิงครับไม่ว่าจะนั่งหรือจะนอนก็ตามนะครับผมสัญญากับคุณหญิงได้ว่า ผมจะไม่เผลอหลับเป็นอันขาดสำหรับคุณหญิงกับคุณชายควรจะพักผ่อนให้สบายเลยครับผมจะคอยระวังเองเมื่อคืนนี้เราก็พักนอนกันที่นี่ก่อนแล้วคืนหนึง่งเหตุการณ์ปกติเรียบร้อยดีทุกอย่างแล้วเราก็หลับสบายกันได้ทุกคนถึงคืนนี้ผมก็คิดว่าเราไม่มีอะไรจะต้องคอยระแวงอยู่แล้วล่ะครับเว้นจากหมาฝูงนั้นเท่านั้นนี่ระพินจะเป็นห่วงแงซทายเหลือเกินนะ เขาขึ้นไปนั่งอยู่บนนั้นตานมลำพังคนเดียวเดี๋เกิดอะไรขึ้นที่เราคาดฝันไม่ถึงขึ้นกับเขาพวกเราก็ไม่มีโอกาสรู้ได้เลยจนกว่าจะถึงเวลาผลับเปลี่ยนยามฉันอยากให้คุณไปตามเขากลับเข้ามารวมหมู่กับพวกเราในแคมป์อยู่พร้อมหน้ากันไม่ดีกว่าเหรอรพินและสำหรับคืนนี้ฉันว่าไม่ควรจะส่งใครออกไปอยู่ยามนอกบริเวณแคมป์เราเลยสักคนเดียวนะ ควรจะรวมกลุ่มกันอยู่ในนี้ดีกว่าความจริงฉันไม่เคยมีความคิดอ่านอย่างนี้มาก่อนเลยนะรพินจนกระทั่งฉันเห็นเอ็งเขาประหลาดประหลาดรูปร่างพิกลเหล่านั้นคข้ามาเปลี่ยนเปลี่ยนอยู่ใกล้ๆแคมป์ของเราเนี่ยเหลือหลายนาน้อยพี่ชายดุขับขึ้น ท, ทั้งทังที่ยังหลับตานี่ท่านแง่ทรายหรือใครก็ตาม ที่มีหน้าที่อยู่ยามบนเนินนั่นกลับเข้ามารวมอยู่ในแคมป์นี่ซะแล้วก็แปลว่าเราไม่มียามคอยระวังเหตุอยู่บนนั้นหมาป่าฝูงนั้นมันมาเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ตัวเลยนะแต่ก่อนที่หมาป่ามันจะมาถ้าหากเงาอย่างที่เราเห็นมันบ่ายหน้าไปหาแง่ทรายก่อนนะคะเขาอยู่ตามบําพังคนเดียวไม่มีพวกเราคนไหนรู้เห็นเลยนะครับรายนั้นขอให้เชื่อมือเะครับคุณหญิงดีซะอีก ที่ส่งแง่สายขึ้นไปเป็นยามคอยระวังเหตุอยู่บนโน้นอีกคนหนึง่งถ้าสิ่งที่คุณหญิงยืนยันว่าเห็นเมื่อสักครู่นี่ไม่ได้เกิดจากภาพหลอนหรือการตาฝาดแง่สายจะสัมผัสได้ทันทีว่าแท้จริงมันคืออะไรและช่วยให้เราวินิจฉัยได้แน่นอนขึ้นระพินช่วยบอกมาอีกคนหนึง่งแต่ไม่อาจตัดกังวลของราชสกุลสาวออกไปได้อย่างไรก็ตามหล่อนจำต้อง สงบนิ่งไปเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าจนดูเหมือนว่าระพินกับพี่ชายของหล่อนจะม้อยหลับไปแล้วนั่นเป็นความรู้สึกของดารินผู้บัดนี้ไม่มีแววง่วงเลยแม้แต่นิดเดียวแม้สภาพทางกายจะอ่อนเปลี้ยลงก็ตามนานๆครั้งหล่อนจะเหลือบอย่างหวาดระแวงไปทางด้านปลายเท้าอันเป็นเขตนอกบริเวณแคมป์ออกไปซึ่งบัดนี้มีแต่ความมืดอันวิเวก ในเวลากลางวันก็ไม่เท่าไรนักเห็นกันชัดๆอยู่ว่าภูมิประเทศรอบที่พักคุ้นๆตายยังไงบ้างแต่เมื่อยามราตรีครอบคลุมเข้ามาเช่นนี้ห่างแค้มออกไปนอกรัศมีเพียงศอกเดียวมันก็เต็มไปด้วยความลี้ลับอันไม่น่าไว้วางใจแล้วก็คิดอิจฉาทุกๆคนในคณะที่ดูช่างเป็นคนไม่อีนางขัง ข, งขอบต่อสิ่งใดทั้งสิ้นหลับง่ายหลับได้กันหมดทุกคนจะมีก็ตลอดเพียงคนเดียวเท่านั้น ที่เหมือนจะเกิดอาการประสาทหลอนอยู่เสมอพบเห็นอะไรที่มันไม่เป็นมงคลต่อสายตาและความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาความคิดคำนึงไปตามลำพังเดียวดายของหลอนขาดหายไปในฉับพลันด้วยหัวใจที่โหดวูบเหมือนจะพลัดหลุดวูบหายไปจากตัวดวงตาที่คอยเฝ้ามองอย่างหวาดหวาดเป็นทุนอยู่ก่อนแล้วของหลอนสาดไปกระทบกับภาพที่หลอนภาวนาขออย่าให้เห็นเข้านับบัดนี้เลย หลอนอ้าปากจะร้องแต่ก็ไม่มีเสียงใจคิดว่าได้เอื้อมมือไปสกิดพี่ชายผู้นอนเบียดอยู่ข้างๆแต่เรี่ยวแรงไม่ทราบหายไปไหนหมดกลายเป็นอมาพาสไปชั่วขณะได้แต่เบิกจ้องค้างอยู่เช่นนั้นประมาณเ8็เงาหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้โดยที่หลอนไม่สามารถจะคำนวณประมาณได้อย่างถูกต้องปรากฏแสงเรืองๆ เ, เคลื่อนไหวแช่มช้า อยู่ห่างจากทางด้านปลายเท้าของทุกคนที่นอนอยู่ออกไปไม่เกินสี่ห้าวาาครั้งแรกมันก็เป็นภาพจางๆก่อนแต่แล้วก็ค่อยๆเด่นชัดขึ้นทุกขณะในความมืดอันเป็นฉากหลังนั้นเป็นภาพที่ลอยอยู่เหนือพื้นในระดับเลียดๆไหวโยกเจกอยู่ไปมามีส่วนศัพท์อันเป็นทรงยาวขึ้นไปประมาณ6กฟุต สิ่งที่ยาวยื่นออกมาเบื้องหน้าทั้งสองข้างมีสันฐานเหมือนแขนหรือตีนแกวงไกวขึ้นขึ้ น, นลงๆเหมือนจะโบกเรียกหรือมิฉนั้นก็เอื้อมเข้ามาจะไขว่คว้าประกอบไปด้วยนิ้วทั้งห้าที่แหลมและงุ้มงอลงเหมือนตีนเหยี่ยวและส่วนหัวึ่งแบบนี้เลยเห็นชัดแม้แต่ตำแหน่งอันเป็นดวงตาที่เป็นกรอบดำมืดเข้าไปไม่มีเสียงของการเคลื่อนไหวหรือสัปสัเนียงอื่นใดทั้งสิน้น ราวกับว่าภาพที่เห็นเหล่านั้นจะเป็นภาพมายาที่สายตาหลอกไปเองแต่จากคลองจักสุทั้งสองข้างของดารินวราฤทธิ์ยืนยันได้ว่าลอนเห็นมันอย่างชัดแจ้งที่สุดมันลอยเบียดเสียดกันอยู่สับสนเีาการเหมือนจะค่อยๆเคลื่อนใกล้เข้ามาทุกขณะรักพินเสียงกระซิปแผ่วเบาที่สุดปรากฏขึ้นจากเชฐิฐาอันแสดงว่าเขา ไม่ได้หลับเลยอย่าเพิ่งพูดพลาดลุกขึ้นนอนเฉยๆไว้ก่อนเสียงกระซิบตอบพิสูจน์ให้ทราบชัดว่าพรานใหญ่ก็ไม่ได้หลับและเขาจะต้องมองเห็นแล้วเช่นกันดารินได้ยินเสียงกระซิบและการเคลื่อนไหวกายอย่างแผวเบาของพี่ชายกับพรานใหญ่ทําให้หล่อนได้สติแต่บังเกิดความอุ่นใจขึ้นในทันทีนั้นหลอนไม่ได้เห็นเพียงคนเดียว ไม่ได้ถูกทอดทิ้งให้เผชิญกับภาพอันน่าสะพึงกลัวนี้ตามลำพังอย่างที่คิดแต่แรกประมาณอึดใหญ่ใหญ่ที่ทั้งสามผู้มองออกไปเห็นภาพประหลาดอย่างเดียวกันแต่แส่งทำเป็นนอนสงบนิ่งคุ้มเชิงดูท่าทีอยู่ด้วยหัวใจอันเต้นแรงต่างเห็นเงาเหล่านั้นเคลื่อนไหวโอนเอ็นอยู่เหนือพื้นตามเดิมของมันมีอาการเหมือนจะล่วงล้าเข้ามาในบริเวณที่นอน ทางด้านปลายเท้ารอบด้านแต่ก็ไม่ล้ำเข้ามาจนถึงชายผ้าใบที่ปูนอนอยู่ในขณะ น, นี้มันใกล้เข้ามามากที่สุดแล้วก็ร่นห่างออกไปเล็กน้อยทรอาการถอยเข้าถอยออกอยู่เช่นนั้นระพินทร์ไพรวันคุมสติมัน่นค่อยๆดึงกายขึ้นมาอย่างแช่มช้าทันทีที่ร่างของพรานใหญ่พงกตัวขึ้นมานั่งตรง เงาประหลาดผู้มีรูปร่างสันฐานัน่ากเกลียดหน้ากลัวเหล่านั้นก็ถอยห่างออกไปอีกอย่างแสดงปฏิกิริยารับรู้ในการเคลื่อนไหวของเขาทันทีแต่ก็ไม่ได้สูญสลายหรือห่างไกลออกไปที่ไหนมันไปเคลื่อนไหวโยกเยกเหมือนสายผ้าแพรที่ถูกสายลมอ่อนพัดห่างออกไปแค่สี่ห้าวาเท่านั้นเชษากดารินก็ผุดลุกขึ้นนั่งพร้อมกันเห็นอย่างที่เราเห็นแล้วใช่ไหมระพิน ท่านหัวหน้าคณะถามรอดริมฝีปากที่แทบจะไม่เผยเยออออกมาตายังจับขมิงอยู่ที่ภาพเงาเรืองๆ เ, เหล่านั้นตาไม่กระพริบครับเห็นนลครับชัดเจนพอสมควรทีเดียวครับมันเป็นอะไรผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันครับคล้ายๆอาการรวมตัวของกลุ่มแก๊สบางชนิดเชื่อก่อนนะครับอย่าเพิ่งกระตุกกระตากอทั้งสิ้นแล้วก็อย่าเพิ่งใช้ไฟด้วย เขากระซิบสั่งพี่น้องราชสกุลทั้งสองสำหรับดารินขณะ น, นี้มือกำปืนพกแน่นอย่างระวังเตรียมพร้อมทั้งๆ ท, ที่หลอนก็ไม่แน่ใจว่าปืนจะช่วยอะไรได้บ้างสำหรับสิ่งที่หลอนเห็นอยู่ในขณะ น, นี้เพราะไม่สามารถจะกำหนดตัวตนที่แท้จริงของมันได้พรานใหญ่ภายหลังจากสั่งความแล้วเขาก็คลานออกไปจากที่สกิดปลุกบุญคาขึ้นเบาๆ ปาพรานเท่าตื่นเร็วตามนิสัยพอเห็นลักษณะของเจ้านายที่เข้ามาปลูกอย่างเงียบๆ เ, เช่นนั้นแกก็ระวังเตรียมพร้อมในทันทีโดยการไม่ได้ทะลึ่งพรวดพลาดหรือส่งเสียงเอะอะใดๆขึ้นทั้งสิน้นจับข้อมือเขาไว้กระซิบถามมีอะไรนายลุกขึ้นสิแล้วมาช่วยดูกันหน่อยอย่าเพิ่งให้พวกนี้ตื่นขึ้นมาเป็นอันขดัดบุญคาลุกขึ้นอย่างเบากลิบ คลานตามเข้ามายังตำแหน่งที่เชิฐาและดารินนั่งคอยสังเกตจ้องอยู่แล้วภาพเหล่านั้นยังคงมองเห็นชัดอยู่ตามเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเชิฐาไม่กล่าวอะไรทั้งสิน้นตบที่ไหลบุญคำซึ่งยังน่าตื่นประหลาดใจในอาการของบุคคลชั้นเจ้านายที่กระลืมตาขึ้นมาเห็นในขณะนี้และชี้มือให้ดูเงียบ แต่พรานเฒ่ามองตามดวงตาทั้งคู่ของแกเบิกกว้างแทบถลนต่อมาก็ยกมือขึ้นขยี้ตาแรงๆแล้วเบิกจ้องขมิ้นอีกครั้งเหมือนจะให้แน่ใจที่สุดพลางคำรามออกมาเบาๆอ๋อไอ้พวกนี้เองเดี๋ยวเฮอมึองเดี๋ยวเจอดีจากไอ้ขำลุกทุกคนจ้องแกเป็นตาเดียวหมายความว่าอย่างไรบุญคำมันอะไรเตถาถาม บุญคำแยกเขี้ยวหัวรอฮึอๆในลำคอนายใหญ่อยากเห็นให้ชัดกระตาไหมละ่ะว่ามันเป็นอะไรเอาสิไอคนจะพาไปเห็นเองพาไปเหรอท่านหัวหน้าคณะทวนคําอย่างสุดชงนบุญคําคงหัวรออยู่เช่นนั้นนายใหญ่ตั้งสติให้ดีไม่ต้องสะดุ้งสะเทือนอะไรกะมันทั้งสิน้นแล้วคอยตามหลังบุญคำมาตล่าวจบ แกก็คลานไปที่ย่ามส่วนตัวคว้าขึ้นสะพายไหลดึงมีดหมอออกมาถือไว้แล้วก้าวเดินออกไปทันทีเชทฐาระพินและดารินก็คว้าไรเฟิลกับไฟฉายประจำตัวออกตามหลังไปในทันทีนั้นพี่ชายพยายามจะสั่งให้น้องสาวอยู่ในขีดแค้ม ต, ตามเดิมไม่ให้ตามออกมาด้วยแต่อีกฝ่ายไม่ฟังเสียงแม้บัดนี้น่าจะขาซีดก็ตามน้อยไปด้วย อยากรู้เหมือนกันว่ามันเป็นอะไรท่านทีที่ฝ่ายในแคมป์ทั้งสี่คนภายใต้การนําของบุญคําก้าวพ้นออกจากบริเวณที่พักนอนกลุ่มเงาเรืองรองเหล่านั้นก็ลอยห่างออกไปอีกมีอาการเหมือนจะผละถอยอกไปยิ่งก้าวลาหน้ารุกไล่เข้าไปมันก็ยิ่งลอยหนีลงไปตามทางลาดอันเป็นทางนํำไปสู่แอ่งน้ำเบื้องล่างที่ต่าลงไป บุนคำเขียวใบกระท่อมเยอบเยอบในปากมือถือมีดหมอสะพายย่ามของแกเดินนำตามลงไปด้วยอาการปกติโดยมีระพินกระชั้นชิดตามหลังมาติดติเช่นกันเช่ดฐานั้นจับแขนน้องสาวไว้มัน่นไม่ยอมให้หา่างท่ามกลางความมืดแสงเรืองประดุษกลุ่มแกส๊สพากัรลอยวูบวูบท้อยร่นหนีลงไปเป็นลาดับ ในทิศทางเดียวกันหมดคือบายหน้าลงไปสู่ฐาน้้ำเบื้องล่างทิ้งระยะห่างจากมนุษย์ทั้งสี่ชีวิตที่เดินตามประมาณ20เมตรเริ่มจะมีสำเนียงประหลาดซุบซิบเหมือนคนพูดกันดังแวววมาให้ได้ยินแซ่ดแต่ก็ไม่อาจสดับเป็นถ้อยคำอย่างใดได้ถนัดบุญคำก็พาตามกันไปด้วยอาการปกติเรื่อยๆของแกโดยไม่ร่งรอน หรือคิดที่จะกวดตามให้ทันอย่างใดทั้งสิน้นเพียงแต่พวกมันลอยบายหน้าไปทางไหนแกก็เดินตามไปทางนั้นจะฉายไฟน า, นายแล้วก็จะยิงด้วยมันไม่มีประโยชน์อะไรถ้าฉายไฟมันจะหายไปหมดทำให้เราตามไม่ถูกแหล่งของมันและถ้ายิงก็เปลืองกระสุนเปล่าบุญคำสงสัยว่าถิ่นของมันจะอยู่ใกล้ๆนี่เองแหละเมื่อตอนไปช่วยไอ้แง้้ายขุดวางระเบิดตรงริมทางน้าข้างล่างนั้น ก็สาสาอยู่เหมือนกันว่าจะเข้าไปขุดอยู่กลางดงของมันช้าๆพอตกกลางดึกเข้าพากันยกขยงออกมาเยี่ยมเยียนใชแล้วที่เมื่อคืนวานไม่เห็นมีวี่แววบุญคำกระซิบบอกมาทางเบื้องหลังพร้อมกับพ่นอะไรของแกไปด้วยพื้พรชั่วไม่กี่อึดใจของการสาวเท้าตามภาพเงาเรืองแสงอันลี้ลับนั้นไปอย่างช้าๆ ทั้งสี่คนก็เห็นมันจางหายกลืนกับความมืดไปจนหมดสิน้นเมื่อบรรลุถึงกลุ่มพืชชนิดหนึ่งที่ขึ้นเป็นดงอยู่บนฝั่งทานน้ำตื้นๆด้านตรงข้ามกับที่พักขณะนั้นฝ่ายที่ติดตามมาด้วยความรู้สึกอันสะบัด ร, ร้อนสบัดหนาวเพิ่งจะย่างลงมาถึงริมฝั่งที่อุดมไปได้วยกรวดและก้อนหินหมูเ่เล็กๆโดยมีแอ่งน้าขั้น ข, ขวางหน้าอยู่ห่างประมาณหเมตรบุญคาผู้เดินนาอยู่เบื้องหน้า หันมาให้สัญญาณทุกคนหยุดสงบนิ่งกับที่ชั่วขณะกระซิบเตือนไม่ให้ใครเคลื่อนไหวกระตกกระตากหรือฉายไฟใดๆทั้งสิ้นรพินเชษฐาและดารินยืนรวมกลุ่มอยู่เบื้องหลังกยอย่างแทบไม่ยอมหายใจพยายามจ้องฝาความมืดมนไปเบื้องหน้าแต่ก็มองไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นภาพเหล่านั้นอันตรธ า, านไปซะแล้วอย่างปราศจากร่องรอยบุญคำ หายไปหมดแล้วดารินกระซิบเบาที่สุดเฉยๆไว้นายหญิงถ้าเราไม่ทําอะไรคลึกโคลมประเดี๋ยวมันจะสําแดงให้เราเห็นอีกบุนคํารู้แล้วว่ามันออกจากที่ไหนแต่อยากจะให้เจ้านายเห็นชัดๆกับตาจะได้ไม่ต้องคลืบแคลงสงสัยอีกต่อไปไม่ต้องจ้องมองไปที่อื่นหรอกแต่ให้คอยมองตรงกลุ่มต้นไม้เล็กๆฟังตรงคับ ที่มันจางหายเข้าไปตะกี้นี้ให้ดีแกบุ้ยปากชี้มือบอกด้วยเสียงกระซิบกระซาบเช่นกันแล้วค่อยๆซุดกายลงนั่งยองๆจ้อ ง, อ, งอยู่เช่นนั้นทำให้อีกสามคนปฏิบัติตามแกไปด้วยคือลดตัวลงนั่งยองๆตามแกแล้วก็จริงอย่างที่ตาพรานเท้าบอกชั่วไม่นานก็ปรากฏแสงเรืองๆ เ, เป็นเงาของรูปร่างประหลาดอย่างที่เห็นโผล่ขึ้นมาอีก เหนือกลุ่มพืชฝั่งตรงข้ามที่กำลังเพ่งมองกันอยู่ในขณะนี้จางๆก่อนในครั้งแรกแล้วก็ค่อยๆชัดขึ้นเหมือนเดิมเมื่อไม่มีปฏิกิริยาเคลื่อนไหวกระตุกกระตากของฝ่ายมนุษย์ทั้งสี่คนเริ่มจากเงาเดียวก่อนต่อมาก็ค่อยๆทวีจำนวนขึ้นบางเงาโอนเอ็อยู่กับที่เดิมบางเงาก็ลอยเพย์เพยาบล้ำลงมาในแอ่งน้ำทำอาการเหมือนจะตรงเข้ามาหา ถ้าเราลุกขึ้นตรงเข้าไปหามันมันจะถอยหนีเข้าไปในโดงไม้นั่นแล้วหายไปอีกอะไม่เชื่อนายคอยดูสิบุญคำบอกจบคำก็ค่อยๆลุกขึ้นยืนอีกครั้งทันทีที่ร่างอันพร้อมเกรงของแกยืนขึ้นเงามหัศจรรยร์สันฐานหน้ากลัวซึ่งมีท่าว่าจะลอยข้ามท่า น, น้ำมานั้นก็ชะงักหยุดแต่มีอาการอันน่าขนหัวลุกด้วยการแกว่งแขนอันยาวเหยียดโบกไกวมาเบื้องหน้า มีอาการเหมือนจะยื่นเข้ามาจับต้องตัวแกบุญคำไม่มีอาการสะดุ้งสะเทือนหรือพรั่นพึงใดๆทั้งสิน้นเอาละตามบุญคำมานายครั้งนี้แกบอกด้วยน้ําเสียงดังปกติแล้วออกเดินลุยน้ำอันเย็นเฉียบของแอ่งที่ขวางหน้าอยู่ตรงไปยังดงก่อไม้ประหลาดทันทีแล้วก็เป็นไปตามที่แกบอกให้ทราบล่วงหน้าไปอีกครั้งทั้งสามคนที่สืบท้าตามหลังแกอยู่ในขณะนี้ S <S <an> เห็นเงาอาสุรกายเหล่านั้นลอยหนีกรูดๆกเข้าไปในโดงไม้ดังกล่าวและอันตรธานไปหมดสิน้นอีกวาระหนึ่งซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่ทั้งสีคนลุยน้ำที่ลึกเพียงเขา่าบรรลุถึงฝั่งอันเป็นโดงไม้เตีย้ยๆขึ้นกันอยู่ยังเบียดเสียดมีระดับต้นอันสูงมากที่สุดไบเกินเอวของคนร่างสูงใหญ่อย่างเชฐิฐารพินไพวันก็ฉายไฟปราดออกไปในบัดนั้น พร้อมกับร้องเตือนคนของเขาว่าเราวังระเบิดที่เราฝังไว้นะบุญคำไม่เป็นไรนายบุญคำจำได้ว่าเราฝังไว้ตรงไหนก็ตอบมาพร้อมกับเปิดไฟฉายในมือขึ้นบ้างอาการนั้นเองทำให้ราชสกุลสองพี่น้องช่วยกันใช้ไฟประจาตัวอีกคนละดวงกราดไปรอบได้ไม่มีวี่แววอะไรทั้งสิน้นท่ามกลางลำไฟฉายสว่างจ้าทั้งสี่ดวง ที่ศาสตร์ค้นหาไปรอบๆนอกจากต้นพืชประเภทล้มลุกชนิดหนึ่งอันมีใบสีคล้ำเกือบจะดับลักษณะใบแย่เป็นแฉกฝอยเหมือนต้นเล็บครุดขึ้นอยู่เต็มจับชุ่มไปด้วยหยาดน้ำค้างราวกับมีใครมารดน้ำพรมไว้ร่องรอยการบุกเข้ามาขุดฝังระเบิดของแง่ทรายเมื่อเย็นนี้ยังพอปรากฏให้เห็นด้วยการตัดฟันกิ่งใบแวกเข้าไปเป็นช่อง บุญคำจ้องพิจารณาลักษณะต้นไม้เหล่านั้นอยู่ครู่ก็เดินตรงเข้าไปที่ต้นหนึ่งอันชูยอดสูงขึ้นมากที่สุดในกลุ่มใกล้ๆตัวของแกไปรตรงเข้าไปเงื้อมีดหมอขึ้นทำปากมุบมิบว่ามนอะไรของแก่อยู่ไม่กี่อึดใจก็ฟันฉับลงไปยอดที่ชูอยู่นั้นขาดพับลงในทันทีด้วยความคมของมีดทันทีกับที่แกหัวดมีดลงไปอีกสามคนก็สะดุ้งขึ้นสุดตัว เราได้ยินเสียงร้องกรีดแหลมยาวโหยหวนออกมาจากต้นไม้ประหลาดที่บุญคำสับยอดลงไปนั้นมันดังขึ้นท่ามกลางความเงียบสงัดเหมือนมีคนหรือสัตว์บางชนิดมาร้องอยู่ตรงหน้านั่นเองดารินผวาเขากอดพี่ชายไว้ด้วยความตกใจจนลืมตัวเฉถาเองขณะนี้ก็ยืนตัวแข็งจังงังไปชั่วขณะส่วนรพินอุทานหนักๆออกมาในลาคอว่าฮ้ ตาพรานเท่าหมอผีหัวรอๆในลำคอหันมาบอกกับเจ้านายทั้งหลายว่าไม่ต้องกลัวนายประเดี๋ยวบุญคำจะจัดการให้มันสงบอยู่ในดงของมันตรงนี้ไม่ให้ออกไปเพ่นพ่านรบกวนพวกเราได้อีกความจริงนี่มันก็ทำอะไรพวกเราที่นอนกันอยู่ในปางพักไม่ได้อยู่แล้วยังมากก็เข้าไปป้วนเปียนลอกหลอนให้เห็นอยู่ ใ, ใกล้ๆเท่านั้น มันล่วงล้ำเข้าไปในปางไม่ได้หรอกเพราะบุญคำขีดเส้นล้อมกั้นเอาไว้ก่อนแล้วในทุกครั้งที่พวกเราพักนอนจะไม่มีผีป่าหรืออาถรรพ์ใดๆล่วงล้ำเข้าไปในเขตที่บุญคำขีดเส้นอาคมไว้ได้หรอกนายเช่ดทาวราฤทธิ์แม้จะเป็นคนที่มีจิตใจกล้าแข็งที่สุดบักนี้ก็ยังอดไม่ได้ที่จะขนลุกเกลียวไปทั้งตัวจากปรากฏการณ์พิสดารที่เห็นชัดกับตา และได้ยินกระหูนี่บุญคาฉันไม่เข้าใจเลยนะมันอะไรกันแน่นี่บอกหน่อยได้ไหมมือขวาของรพินยิ้มแยกเขียวนายถ้าไม่พามาหเห็นกับตานายก็จะไม่เชื่อไอค้คาแล้วแกก็ชี้กราดไปยังพืชประหลาดที่ขึ้นเป็นดงอยู่รอบตัวนายดูสิตรงนั้นต้นไม้เล็กๆที่ขึ้นเป็นดงอยู่นี่แหละ มันทั้งนั้นที่แรกบุญคำก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะไม่เคยเห็นต้นของมันกระตามาก่อนเคยแต่พ่อกระครูบาอาจารย์ของบุญคำนะ่ะบอกไว้เท่านั้นก็เพิ่งจะมารู้ชัดก็ตอนที่เห็นมันลอยหายก็มันในดงนี่แหละนายต้นอะไรอ่บุญคำดารินร้องถามเสียงสัน่นแต่ฟังไม่รู้เรื่องอาการของหลอนเหมือนจะจับไข่ขึ้นอย่างกระทันหัน ลงหินกับตาแบบนี้แล้วพรานใหญ่ก็คงบอกได้เหมือนกันเลย ว, ว่ามันเป็นต้นอะไรเพราะพรานใหญ่เองก็คงจะเคยได้ยินได้ฟังมาก่อนจากพรานเก่าๆ เ, เว้นแต่อาจจะไม่เชื่อเท่านั้นเชิฐาดารินหันไปมองหน้ารพินไพรวันในทันทีนั้นเหมือนจะขอคำอธิบายจอมพรานมีสีหน้าปั้นยากที่สุดเขายืนนิ่งอยู่กับที่ไปอีกพักใหญ่ จึงเอื้อมมือไปเด็ดใบอันแฉกฝอยประกอบไปด้วยน้ำเล็กๆของพืชชนิดนั้นขึ้นมาส่องไฟพิจารณาดูว่านผีปอบหรือบุญคำเขาถามแหบต่ำก็จะอะไรซะอีกละ่ะนายมันละ่ะที่นายกับบุญคำได้ยินได้ฟังมนันน่ะเดี๋ยวนี้เรามาเจอมาเจอของจริงเขาให้แล้วสินายแต่แทนที่จะเจอแถวป่าดงดิบดำที่ไหน กลับมาเจอเอาทีเนินพระจันทร์นี่เองระพินคุณพอจะมีคำอธิบายให้เรารู้เรื่องได้มากกวาวุญคำไหมท่านหัวหน้าคณะถามเร็วปรื๊ยพรานใหญ่อยู่ในสภาพอึกอักลำบากใจยังไงบอกไม่ถูกยกแขนขึ้นปแายละองน้ำที่เกาะอยู่บนใบหน้าผมก็ไม่ทราบจะอธิบายได้ยังไงถูกเหมือนกันละครับคุณชายเพราะผมเองก็ไม่เคยพบเห็นมาก่อนก็แค่เคยได้ยินพรานเก่าๆเล่าให้ฟัง เหมือนเล่านิทานเท่านั้นแหละคือคนเล่ากันว่ามีว่านอยู่ชนิดหนึ่งขึ้นอยู่ตามป่าลึกดงดิบเรียกว่าว้านผีปอบเป็นพืชที่จัดอยู่ในประเภทว้านเพราะต้นไม่โตนักแล้วก็มีหัวฝังอยู่ในดินสําหรับแพร่พืชพันธุ์ว่านชนิดนี้เมื่อจเจริญเติบโตได้ขนาดของมันแล้วก็จะปรากฏทางอิทธิฤทธิ์สําแดงให้เห็นเป็นตัวตนขึ้นได้ถ้าจะพูดกันในภาษาวิทยาศาสตร์ของพวกเรา ก็น่าจะเรียกว่าพลังงานทางธรรมชาติชนิดหนึ่งแต่สำหรับชาวป่าแล้วเขาเชื่อว่ามันเป็นเจตพูดหรือวิญญาณร้ายที่เกิดขึ้นจากต้นว่านชนิดนี้อิทธิฤทธิ์ของพลังงานของมันก็คือภายหลังอาทิตย์ตกดินไปแล้วมันจะแปลสภาพเป็นอสุรกายล่องลอยออกจากต้นพืชของมันเที่ยวหาอาหารโดยการสูบเลือดจากคนหรือสัตว์ที่นอนเผลอหลับอยู่ในบริเวณใกล้เคียงพอใกล้รุ่ง ก็จะกลับคืนมาสิงสู่อยู่ในต้นว่านตามเดิมกลางคืนก็ออกหากินอีกกล่าวกันว่านักเดินป่าที่นอนหลับและตายไปในเวลากลางคืนโดยตรวจแล้วว่าไมา่ปรากฏบาดแผลว่าเกิดจากสัตว์ร้ายชนิดใดนั้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากว่านผีปอบชนิดนี้ลอบมาสูบเลือดในเวลากลางคืนเพราะฉะนั้นในการวางแคมป์นอนในป่าทุกครั้งพวกครานที่ร่ำเรียนทางไสยศาสตร์และรู้เรื่องคาถาอาคม จึงจะต้องทำพิธีขีดเส้นปริมนทนของแคมป์พักนอนทุกครั้งไปอย่างที่เราเห็นบุญคำแกปฏิบัติอยู่เป็นปกติทุกครั้งนะครับเพื่อป้องกันอาเพศและพูดผีร้ายซึ่งก็มีอยู่สารพัดชนิดในป่าเกรงว่ามันจะรอบร่วงล้ำเข้ามาทำอันตรายในเวลานอนหลับกลางคืนผมเองก็ได้ยินได้ฟังเรื่องนี้คุ้นหูมานานแล้วก็เพ่จะพบเห็นปรากฏการณ์ประหลาดตรงกับเรื่องเล่าเหล่านี้เอาคืนนี้เอง มันก็น่าแปลกดีเหมือนกันประโยชสุดท้ายก็หัวเราะเบาๆพร้อมกับห่อไหลลงโชคดีมากนรพินผมถือว่าเป็นโชคดีที่สุดที่ในการเดินป่าของเราครั้งนี้ทําให้เราได้เห็นอะไรแปลกๆพิศดารซึ่งเราไม่เคยคาดฝันมาก่อนแม้ว่ามันจะทําเราขนลุกขนพองไปบ้างก็ตามถ้าเป็นคนอื่นเขาอาจถือว่าเป็นลางร้ายหรือเป็นเรื่องอัปมงคล แต่สำหรับผมนะถือเป็นโชคแล้วก็เป็นกําไรของการเดินทางครั้งนี้ท่านหัวหน้าคณะกล่าวขึ้นด้วยเสียงมีกังวาลบัรนี้เขาปรับความรู้สึกทั้งมวลลงเป็นปกติแล้วแขนข้างหนึ่งยังคงโอบกอดไว้รอบไหล่น้องสาวและตบเบาๆอย่างปลอบใจเช่นนั้นรู้สึกได้จากสัมผัสว่าร่างกายของดารินสั่นเทาไม่ต้องกังวลอะไรน้อยตราบใดก็ตาม ที่เรารวมกำลังกันอยู่พร้อมหน้าเช่นนี้เชื่อเถอะไม่มีอะไรมาทำอันตรายเราได้ทั้งนั้นเลยค่ะกลับกันเถอะครับพี่ใหญ่ น, น, น, น, น้อ ย, น, อยน้อยรู้สึกว่าจะไม่สบายยังไงชอบกล น, น้อยไม่อยากจะพบเห็นอะไรที่ขนหัวลุกแบบนี้เลยอะประสาทมันคลอนแพนไปหมดแล้วนายนายพานายใหญ่กับ น, นายหญิงกลับขึ้นไปก่อนเถอะบุญคาหันไปบอกระพิน บุญคำขอเวลาสักพักเดียวเท่านั้นจะจัดการสะกดให้มันอยู่ในที่ในทางของมันไม่ให้มันออกไปเพ่นพ่านเกะกะอีกและจะตามขึ้นไปทีหลังไม่งั้นคืนนี้มันจะไปหลอกหลอนคอยขอส่วนบุญอยู่ใกล้ๆปางเราตลอดทั้งคืนถ้าไม่กลัวมันก็ไม่เป็นไรหรอกนายเพราะถึงยังไงมันก็เข้าไปในปางพักไม่ได้อยู่แล้วสําคัญนายหญิงจะนอนไม่หลับทั้งคืนเท่านั้นแต่ปล่อยให้มันไปยุ่มยามอยู่ใกล้ๆที่พักอีกแล้วอีกอย่างหนึง่ง ถ้าไอ้พวกนั้นตื่นขึ้นมาเห็นมันจะอนละมานกันไปใหญ่ล้วนแล้วแต่กลัวผีกันทั้งนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ขยินดีไม่ดีจะไม่มีใครกล้าลุกไปเฝ้ายามบนเนินตามที่แบ่งเวลาหน้าที่ ก, กันไปแล้วอะตกลงจัดการให้เรียบร้อยนะบุญคำยายสีชื่อหมอผีอย่างเราเป็นอันขาดนะฉันไม่ชอบเลมันไปยื่นมือยาวๆอยู่ที่ปางพักของเราเวลานอนเหมือนกันถึงจะรู้ว่ามันทาอะไรไม่ได้ก็ตาม จอมพรานว่าพลังหันกลับไปกล่าวชวนนายจ้างทั้งสองของเขาแต่ดารินกลับไม่ยอมเคลื่อนออกจากที่ ท, ทั้งทั้งที่ใจอยากจะไปให้เร็วที่สุดรอนยึดมือพี่ชายไว้มัน่นแล้วจ้องมาที่บุญคำกระเหม็งฉันเชื่อมือบุญคาว่าจะสะกดมันให้สงบราบคาบไปได้อย่างที่บอกแต่ถึงยังไงก็ไม่อยากให้บุญคาอยู่ที่นี่ตามลำพังคนเดียวหรอกเอาล่ะบุญคาจะทาอะไรก็ทาเดี๋ยวนี้แล้วกันฉัน พี่ใหญ่แล้วก็พรานใหญ่จะยืนรอคอยอยู่ที่นี่ด้วยจนกว่าบุญคำจะจัดการเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะกลับขึ้นไปพร้อมๆกันนั่นคือนิจใสอันห่วงใยต่อคนในบังคับบัญชาทุกคนของนายหญิงและไม่ยอมทอดทิ้งลูกน้องไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้นซึ่งบุญคำก็กระหนักดีแกมองหน้านายหญิงอย่างชื่นชมรักบูชาหัวราเออเออโถนายหญิง ไม่ต้องห่วงบุญคำในเรื่องอย่างนี้รกสบายมากเอาไว้ห่วงบุญคำตอนไอ้มานรกพวกนั้นมันไล่ฟัดบุญคำเถอะบุญคำแก่แล้ววิ่งไม่ค่อยจะไหวกล่าวจบแกก็ล้วงลงไปในย่ามซึ่งบรรจุเต็มได้วยสารพัดเครื่องรางว่านยาหยิบเอาหหออะไรชนิดหนึง่งขึ้นมายกบูชาทูลจบไว้บนหัวอมอ่านไร้คาถา พ, พึมพมเร็วปรืออยู่ในลาคอฟังไม่ได้สัก พักใจก็แกะห่อออกปรากฏว่าเป็นทรายเม็ดขาวละเอียดตะพรานเท่าเจ้ามนตรากำหนุหนหลุมไวในมือปากก็ยังไร้คาถาอยู่เช่นนั้นพร้อมทั้งเดินหวานซัดโปรยทรายเศกเหล่านั้นพรมไปทั่วๆบริเวณดงต้นว่านประหลาดในขณะที่ระพินและเชษถาช่วยฉายไฟส่องทั้งสามคนแม้แต่ระพินเองก็ขนลุกซาขึ้นอีกครั้งเมื่อมองเห็นชัดกับตาว่าต้นว่านเหล่านั้น สะบัดกิ่งใบไหวสะทานอยู่เฮือกเฮือกเราก็มีคนมาจับเขยา่าปรากฏเสียงดังสู้ซ่าเกรียวกราวไปหมดในทุกครั้งที่บุญคำสาดสัดทรายเศกโปรยลงไปรอบๆทั้งๆ ท, ที่ไม่มีลมพัดมาเลยไม่แต่น้อยบุญคำไม่สนใจกับปฏิกิริยาอันแปลกประหลาดพิสดารดูแลวชวนสยองกล้าวเหล่านั้นทั้งสินินคงเดินท่องคาถาโปรยทรายไปจนทั่วบริเวณที่ต้นว่านเหล่านั้นขึ้นเป็นดงอยู่ แล้ววกมาซัดทรายส ก, กัดล้อมไว้เป็นวงกลมเอาละ่ะคือ น, นี่พวกมึงก็อยู่กันใต้ในนี้แหละไม่ต้องเป็นผ่านไปไหนอีกแล้วเสร็จสับพิธีกรรมสะกดชั่วไม่นานแกก็ตะโกนขึ้นดังๆแล้วเดินกลับมาที่คณะเจ้านายทั้งสามสีหน้ายิ้มแยม้มไปเถอานายเรียบร้อยแล้วบุญคำรับรองวัดราบใดที่เรายังพักกันอยู่ที่นี่ มันจะไม่ออกไปรบกวนหรือสันแดงตัวให้เห็นอีกพรุ่งนี้ตะ ว, วันขึ้นบุญคำจะขุดหัวของมันขึ้นมาให้เจ้านายดูเชษดถามองดูตาพรานเท่าอย่างเลื่อมใสศรัทธาเป็นครั้งแรกในเวทมนต์อาคมอันชา ง, งัดของแกเพราะเพิ่งจะเห็นชัดๆกับตาเอาเดียวนี้เองเขาจับแขนสมุนเท่าของรพินไวแน่นเก่งมากบุญคาเก่งจริงๆแต่ไหนแต่ไรมาฉันไม่เคยเชื่อว่าบุญคาจะมีความศักดิ์สิทธิ์จริงในเรื่องนี้ ก็มาคืนนี้แหละที่ได้เห็นอย่างชัดๆทีเดียวยอมรับนับถือเลยพระพาดิบุญคําหัวรอชอบอกชอบใจที่ในายใหญ่ชมทั้งหมดเดินข้ามทานน้ากลับมายังฝั่งเดิมและไต่ทางกลับที่พักบุญคําเป็นศิษย์มีครูในายใหญ่แต่ก็ยังไม่เก่งเท่าครึ่งหนึ่งของพ่อหรือครูพรานที่เคยสั่งสอนบุญคํามา ไอเรื่องผีสางนางไม้หรือความอาถ์นในป่านะ่ะถ้าได้รู้ตัวสักก่อนล่วงหน้าบุญคำไม่กลัวรกแกไขได้ทั้งนั้นและแต่ถ้าเผลอๆไม่ทันรู้ตัวมาก่อนก็ยแย่เหมือนกันป่าลึกดงดิบนั่นขอให้นายเชื่อเถอะว่าไม่ได้ร้ายกาแต่สิ่งสาระสัตว์หรือโรคภัยไข้เจ็บเท่านั้นแต่มันมีความอาถิหน้ากลัวที่เรามองไม่เห็นคาดไม่ถึงทุกชนิด เราต้องเรียนรู้และไม่ประมาทไอ้พวกวานพวกพืช น, นี่ก็เป็นอีกชนิดหนึ่งที่ร้ายกาจมากอย่างที่เราก็เห็นเห็นกันอยู่แล้วบางชนิดมันมีพิษทางกลิ่นไอบางชนิดมันกินสัตว์ได้เหมือนสัตว์ ร, ร้ายที่คอยจ้องตะครุบเหยื่อและบางชนิดก็ร้ายไปกว่านั้นอย่างเช่นไอ้วานผีปอพวกนี้เพราะมีวิญญาณร้ายสิงอยู่ แต่ก็มีวานอีกหลายรอยหลายพันชนิดที่ให้ประโยชน์ต่อเราในด้านยารักษาโรคแก้อาถันพิดสำแดงแก้พิษรวมทั้งคงกัะพันชาตรียังน้อยที่สุดที่เรารอดตายจากความหนาวเย็นสามารถฟาน้ำแข็งมาจนถึงนี่ได้ก็เกิดจากคุณของวานอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันเป็นโชคของพรา์ใหญ่มากนะที่ได้บุญคำมาเป็นคู่ใจ ด้ารเลกล่าวออกมาอย่างชื่นชมจริงใจเป็นโชคของบุญคำมากกว่าที่ได้พรานใหญ่มาเป็นนายถ้าไม่มีพรานใหญ่บุญคำนะ่ะตายไปหลายครั้งแล้วก่อนจะมาอยู่กับพรานใหญ่ก็เพราะแกช่วยชีวิตบุญคำไว้บุญคำนะ่ะชำนานแต่การเป็นพรานผีไม่ชำนานในด้านเป็นพรานสัตว์นักเพราะหูตาเรียวแรงมันถอยลง ยิ่งปืนก็ไม่จับวางเหมือนพรานใหญ่ <c oughs> ก่อนจะถึงที่พักเพียงเล็กน้อยเชษฐาสั่งทุกคนว่าเงียบเงียบกันไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งแพร่พลายอะไรให้พวกเราในแคมป์ทั้งหมดรู้เรื่องเปน็นอันขาดแม้แต่ชายยันหรือเมถ้าบังเอิญเขาตื่นขึ้นมาภายในคืนนี้เอาไว้ค่อยเล่าให้ฟังพ่กนี้แล้วกันท่านใดนั่นเองดาลินก็นึกอะไรขึ้นมาได้อีกครั้งหอนยุดชนนะักกึกพูดออกมาโดยเร็วว่า เราควรจะขึ้นไปดูแง้ทรายซะ เ, เดี๋ยวนี้นะคะว่าเขายังเรียบร้อยปกติดีหรือเปล่าเพราะในระหว่างที่พวกเราทุกคนอยู่ในแคมป์อันเป็นเขตอาคมของบุญคํามีแง้ทายคนเดียวเท่านั้นที่อยู่ข้างนอกตามลําพังคําพูดของน้องสาวทําให้ท่านหัวหน้าคณะหันมามองหน้ารพินเหมือนจะหยั่งความเห็นบุญคําก็บอกขึ้นด้วยน้ําเสียงไม่แสดงความตื่นเต้นเลือดร้อนของแกว่านายหญิงรับรองว่าไอ้พวกผีปอบ ที่ออกมาจากต้นวานพวกนั้นน่ะทำอะไรแงสายไม่ได้หรอกยังมากก็จะไปป้วนเปียนให้เห็นเท่านั้นเว้นไวแต่แงสายมันจะผลอหลับแต่ถ้ามันนั้นหลับอีตอนนั่งยามก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันผมกับบุญคำจะย้อนขึ้นไปดูแงสายอีกครั้งเองครับคุณชายกับคุณหญิงรออยู่ที่แคมป์นี่ก็ได้ครับไม่เป็นไรผมก็น้อยไปด้วยดีกว่าก็ไม่ไกลอะไรนะักแค่นี้เอง เชษฐารู้ความต้องการของดารินดีไม่อยากจะให้เกิดปัญหาอะไรขึ้นอีกจึงบอกเช่นนั้นทั้งสีเดินผ่านบริเวณที่พักนอนระพินแวะเข้าไปตรวจดูเห็นชัยยันมาเรียและทุกคนยังหลับเป็นปกติดีไม่มีใครตื่นรู้สึกตัวขึ้นมาเลยจึงก้าวกลับออกมาสมทบกับอีกสามคนที่รอคอยอยู่ก่อนแล้วโบวกมือให้ตามเขาขึ้นไปเงียบๆทั้งหมด ายหน้าขึ้นไปสู่เนินด้านบนขณะนั้นเดือนเสี่ยวขึ้นสี่ขัลรับเหลี่ยมยอดเขาสิวเทพไปหมดสิ้นแล้วทุกขนทุกแห่งบกคลุมด้วยสีดำอันค้นหนักพรานใหญ่เปิดไฟฉายประจำตัวส่องทางเป็นระยะระยะขึ้นไปทันทีที่ใกล้ที่หมายอันเป็นตำแหน่งนั่งยามของแงซทรายก็มีแสงไฟฉายจากจอมพเนจรส่องจ้าสวนทางตอบมาวูบนึง พูอมองเห็นได้ชัดถนัดว่าเป็นสี่คนเป็นใครบ้างกำลังตรงเข้ามาไฟดวงนั้นก็ปิดลงตามเดิมอาการตอบโดยไฟฉายชนิดนั้นทำให้เชิดฐาและดารินยิ้มออกมาได้มันหมายถึงว่าแง่สายยังปกติดีอยู่เหมือนเดิมเมื่อต่างเดินเข้ามาถึงพบแง่สายยืนรอคอยรับอยู่แล้วอาการตื่นงงเอกใจเล็กน้อยที่เห็นพรานใหญ่บุญคานายหญิงและพรานใหญ่ มาพร้อมกันทั้งสี่คนเช่นนั้นเกิดอะไรขึ้นหรอครับแง่ทรายถามขึ้นก่อนแง่สายเมื่อกี้นี่พรานใหญ่ขึ้นมาคุยกับแกแล้วครั้งหนึ่งไม่ใช่เหรอครับนายใหญ่แล้วตอนที่เขาผละลงไปแล้วอ่ะแกนั่งยามอยู่คนเดียวบนนี้เหตุการณ์เรียบร้อยดีเหรอมีอะไรผิดปกติบ้างหรือเปล่าท่านหัวหน้าคณะถามต่อมาโดยเร็วแง่ายคงมีสีหน้าตื่นอยู่เช่นนั้น พยายามมองหน้าทุกคนที่แวดล้อมอยู่ในเงามืดนั้นแล้วยิ้มเหตุการณ์ทางด้านเงียซายปกติเรียบร้อยดีทุกอย่างครับนายใหญ่หมาฝูงนั้นก็สงบเงียบไปแล้วยังไม่มีท่าทีว่าจะเคลื่อนเข้ามาทางด้านนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทางด้านที่พักเลยครับเฉษถายังไม่ตอบอะไรในขณะนั้นนอกจากมองตารพินแต่บุญคาโ p ่งออกมาว่าเองในโชคดีแล้ว ที่พวกมันไม่ได้ขึ้นมารบกวนเองบนนี้ความสนใจของมันนะมุ่งไปที่ปางพักพวกเราส่วนใหญ่เพราะอยู่ใกล้กับมันมากกว่าอะไรอะลุงก็ อ, อะไรซสียอีกล่ะก็ที่เอ็งบุกเข้าไปวางระเบิดในดงของมันเมื่อเย็นที่แล้วน่ะสิฮที่อื่นมีตั้งแยะไม่เสือกวางดันบุกเข้าไปวางกลางดงของมันเลยฮพอตกกลางคืนมันก็เลยแหย่ยกขยงกันออกมา เอานายหญิงขวัญเสียไม่เป็นอันหลับอันนอนนี่ดีว่าไอ้เคยินกับไอ้พวกนั้นอ่ะหลับกันไปหมดแล้วถ้าบังเอิญตื่นขึ้นมาเห็นในตอนนั้นข่าวว่ามันคงยุ่งกันพี่ลึกแล้ววะแงาสขมวดคิ้วเล็กน้อยนิ่งเหมือนจะคิดทบทวนอะไรอยู่ครู่ก็ยิ้มออกมาตามเดิมและเห็นฟันขาวสว่างอยู่ในกรอบหน้าดามืดอ๋อว่านผีปอบแงใส นแปล ว, ว่าเธอรู้ดีอยู่แล้วอย่างนั้นเหรอดาดินรองลั่นออกมาอีกฝ่ายหัวรอบเบาๆไม่ตื่นเต้นอะไรทั้งสิ้นมีดวงว่านอยู่ชนิดหนึง่งอยู่ตรงข้ามฝั่งทานปากทางที่จะขึ้นมาที่ปางพักของเราเนี่ยเงาไซเข้าไปขุดฝังระเบิดที่นั่นลักษณะของมันเหมือนว่านที่เชื่อกันว่าในเวลากลางคืนจะออกมาเป็นรูปร่างสัตว์ประหลาดล่องรอยสแสวงหาเหยื่อที่คราะไย เงาทรายก็อยากจะลองดูว่ามันมีปรากฏตการณ์อย่างที่เขาว่ากันจริงไหมจึงฟันกิ่งถอนต้นมันมาสักสองสามต้นแต่ถ้าบุญคําตาเหลือกยกมือชี้หน้าไอชีบหายมึงนี่เองไอแง่ทราย่าแล้วสงสัยอยู่แล้วว่าทาไมมันถึงได้แห่กันมาในคืนนี้ก็ที่เมื่อคืนเราอยู่ที่นี่เหมือนกันมันไม่ยักมากกนมันมากันเหรอบุญคําเออแห่กันไม่ยังกระฟาชาแตก ล้มรอบที่พักของเราเต็มไปหมดดีว่าข้าลงอาคมขีดวงล้อมบริเวณไวมันถึงเข้าไปทำอะไรพวกเราไม่ได้ครานใหญ่ปลุกข้าขึ้นมาดูเห็นท่าไม่ดีข้าก็เลยตามไปสะกดมันไว้ทั้งดงในายใหญ่กับนายหญิงสิเป็นห่วงเองเพราะนั่งอยู่นี่เลยชวนขึ้นมาดูนึกว่าปานนี้น่ะเองนอนตัวแข็งไปแล้วเองมันมือบอนอุตริไม่เข้าเรื่อง แล้วก็ไม่บอกใครขา่ารู้ตัวลหน้าเสียด้วยสิแงส า, ายยิม้มอยู่เช่นนั้นหันไปทางพรานใหญ่ถามว่าผู้กองที่ลุงคำพูดนะ่ะจริงเหรอแทนที่จะตอบตรงคำถามกระพินบอกมาว่าแกรู้อะไรดีอยู่แล้วนี่แต่แกก็ไม่บอกฉันเลยนะในเรื่องนี้ผมยังไม่เชื่อมาก่อนเลยนะว่ามันจะสำแดงอิทธิฤทธิ์ได้ตามที่เขาเล่าลือกัน ก็เลยอยากทดลองอะ่ะแม่เสียดายที่ผมเองไม่มีโอกาสได้เห็นแต่ถึงยังไงก็ไม่มีเหตุการณ์ไดแรงอะไรไม่ใช่เลยครับอย่างน้อยก็ยังมีลุงคำกับผู้กองอยู่ถึงสองคนนี่แกอยากจะทดลองอะไรก็ได้แงซายแต่ที่ถูกนะแกควรบอกผู้กองหรือพวกเราให้รับรู้ไว้ก่อนเพื่อจะได้ระวังตัวทันแกเชื่อมือผู้กองกับบุญคำว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นย่อมแก้ไขได้ทั้งสิ้น แต่ลืมนึกถึงพวกเราคนอื่นๆไปเสียแล้วเหรอนี่ดีนะที่พวกเราเห็นเขากับปรากฏการณ์ชนิดนี้ซะก่อนถ้าไม่ทันเห็นไม่ทันรู้ตัวตอนผลักเปลี่ยนเวรยามเอาคนอื่นมานั่งเฝ้าบนนี้แทนแลวก็นถ้าคนคนนั้นไม่ใช่ผู้กองด้วยบุญคำนะ่ะไอคิดดูสิอันตรายจะเกิดขึ้นแค่ไหนหนายใหญ่ติงมาเจ้าคนใช้พิเศษหน้าเจือนลงไม่ได้โต้ตอบคำใดทั้งสิน้น ดารินจ่องตาขมิงแล้วถามว่านี่ไงทายถามจริงแต่นะถ้าอยากจะลองวิชาพรานใหญ่หรือบุญคำตลอดจนพวกเราอื่นๆทั้งหมดใช่ไหมว่าท้ามันเกิดเรื่องพิลึกกึกกือชวนขนหัวลุกแบบนี้ขึ้นมาใครจะมีปัญญาแก้ไขยังไงหรือไม่ถึงได้ไปแกล้งก่อกวนในดงต้นไม้ประหลาดนั่นและยังไม่บอกพวกเราคนหนึ่งคนใดให้ร่วงรู้ถ้าเผื่อมันมีอะไรเกิดขึ้นอะ่ะเธอจะว่าไง เงยสายไม่ได้เจตนาดังนายหญิงว่านะครับเป็นคําตอบเบาๆหางเสียงเกรงเกรงได้เรียนแล้วว่าเงยสายก็ไม่เชื่อในเรื่องนี้มาก่อนนะครับถ้าบอกผู้กองหรือพวกเราคนอื่นใดถึงปรากฏการที่จะเกิดขึ้นชนิดนี้ทุกคนก็จะเห็นว่าเงยรายเสียสติพูดในสิ่งเหลวไหลห <c oughs> ลงเป็นห่วงเสียทับแย่ที่แท้ตัวการสําคัญที่ทำให้ไอ้ผีพวกนั้นออกมาเพ่นผ่านก็คือเจ้าตัวดีนี่เองขอโทษด้วยนะเรพิน์ ที่ฉันเป็นคนทําให้คุณต้องเสียเวลาพาเราเดินย้อนมาดูแง่ทรายที่นี่อีกครั้งความจริงคุณก็บอกฉันไว้แล้วว่าไม่มีอะไรจะต้องห่วงคนคนนี้เพราะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาย่อมรู้ลู่ทางที่จะเอาตัวรอดได้เสมอรู้ดีกว่าพวกเราทุกคนซะอีกที่รูปนี้มันน่าจะ ท, ทําโทษในเฝ้ายามคนเดียวอยู่ที่นี่ซะตลอดทั้งคืนโดยไม่ต้องให้ใครมาเปลี่ยนแพนใหญ่หัวเราบเบาๆออกมาเป็นครั้งแรกคุณหญิงครับ ดีเท่าไหร่แล้วที่ไงซายยอมพูดความจริงออกมากับเราตรงๆเกี่ยวกับว่านผีปอบกอนั้นผมเองอยังคาดผิดไปซะด้วยซ้ําคาดว่าเมื่อเรามาถามเขาที่นี่เขาก็คงจะตีหน้าเซอร์ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้อะไรสักอย่างเดี๋ยวนี้ไงซายก็คงรู้แล้วว่าเมื่อเขาทดลองก่อกวนแกล้งให้ไอีผีปอบพวกนั้นออกมาเพ่นพ่านสําแดงเดชได้บุญคําก็แก้ตกไล่ไอ้ผีพวกนั้นให้กลับเข้าไปในที่ของมันได้เหมือนกัน เงียสายคงเห็นแล้วล่ะว่าบุญคำทำตัวเป็นพ่อมดหมอผีเจ้าคาถาอาคมมานานก็เลยอยากจะลองวิชาผูกบมเอาไว้แก้เล่นสนุกสนุกอย่างนั้นเองใช่ไหมเงี้ยสายประโยคหลังเขาหันไปถามเรียบๆเบงี้ยสายหน้าปฏิเสธช้าๆอยู่ในเงามืดไม่มีใครสังเกตเห็นสีหน้านั้นได้ถนัดผมไม่มีความคิดที่จะลองวิชาใครทั้งสิ้นนะครับเพราะรู้ชัดแล้วว่าแต่ละคนมีอะไรอยู่กับตัวบ้าง แต่การที่ผมไม่ได้เตือนหรือบอกให้ทราบล่วงหน้าถึงปรากฏ ก, การณ์ลี้ลับที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในคืนนี้เกี่ยวกับว่านพวกนั้นก็เป็นเพราะผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นจริงหรือเปล่าโดยจะถือว่าเป็นความผิดผมก็ยินดีที่จะรับผิดนะครับแล้วก็ยอมจะปรับโทษถ้าจใจผมเฝ้ายามอยู่ที่นี่เพียงคนเดียวตลอดทั้งคืนผมก็ยอมครับนี่ฉันไม่คิดว่านายหญิงจะใจร้ายกับแกจนถึงกับบงังคับไปแกเฝ้ายามบนนี้คนเดียวตลอดคืนอย่างที่แกพูดหรอก อีกปะเดี๋ยวก็จะหมดกำหนดยามของแกลแล้วแล้วบุญคำก็จะรับหน้าที่ต่อแกก็จะได้กลับลงไปนอนหลับให้สบายตลอดรุ่งพร้อมกับพูดกับเพิงแงนหน้ามองขึ้นไปบนท้องฟ้าอันดำมืดด้านตะวันตกซึ่งแลเห็นยอดเขาสิวเทพเป็นเงาตะคุ่มอยู่เหมือนเงาปีศาจกลางพื้นที่ราบโลงแล้วกล่าวต่อมาโดยไม่ได้สนใจกับเรื่องเดิมอีกว่าว่าแต่นี่เนี่ย แกคงนั่งเฝ้าดูพระจันทร์จนกระทั่งรับลงหลังเขาสิวเทพตลอดเวลาไม่ใช่เหรอโดยไม่ได้ตั้งใจแงใสเงยหน้าขึ้นมองไปทางด้านเดียวกับเขาทำให้อีกสามคนเหลียวตามแต่ก็ไม่เห็นอะไรนอกจากความคลุมเครือในเงามืดครับผู้กองมันเพิ่งจะรับเหลี่ยมเขาลูกนั้นลงไปประมาณสักสิบห้านาทีนี้เองครับผมเฝ้าพิจารณาอยู่ทุกขณะแล้วเห็นอะไรยังไงบ้างล่ะ นายสายสันหัวไม่ได้มีความคิดด้วยสติปัญญาอะไรคืบหน้าแม้แต่อย่างเดียวครับมันก็เหมือนพระจันทร์ขึ้นสี่ขัที่รับเหลี่ยมเขาตกหายไปธรรมดาน่ะแหละครับค่อยๆแตะขอบว้าวลงกระยอดอันสูงสุดทางซีขวามือนั่นก่อนแล้วก็ค่อยๆจมลับลงแรกๆก็มีรัศมีบางๆทิ้งให้เหลืออยู่บนขอบฟ้าตรงตำแหน่งที่รับดวงลงไปครั้นต่อมาไม่นาน ก็มืดสนิทหายไปเชษฐากดารินสะดุดใจในคำพูดโตอตอบของทั้งสองหันมาถามว่าทำไมมีอะไรหรือเกี่ยวกับพระจันทร์ตกท่านหัวหน้าคณะเอ่ยถามขึ้นอย่างสนใจและพยายามจะอ่านความคิดของพรานใหญ่กะแง่ายก็ไม่มีอะไรน่าสนใจนักหรอกครับคือผมกะแง่ทายนะเพียงแต่หารือกันว่า คืนพรุ่งนี้ก็จะเป็นคืนขึ้นห้าค่ำแล้วพระจันทร์ในคืนนี้เป็นรูปเสี้ยวบางๆแต่พรุ่งนี้ก็จะเป็นเสี้ยวที่หนาขึ้นอีกเล็กน้อยซึ่งเราตั้งข้อสังเกตกันไว้ก่อนเลย ว, ว่าเสี้ยวจันทร์คืนขึ้นห้าค่ำนี่แหละที่มีสันฐานพอจะอนุโลมว่าใกล้เคียงกับปิ่นพระศิวะมากที่สุดแล้ยยังไงดารินถามต่อมาโดยเร็วที่เห็นเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่นั่นคือเขาศิวเทพ กานใหญ่ชี้มือบอกอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเพราะฉะนั้นพระจัน์จะตกลงทางเขาสิวเทพลูกนั้นตามวิถีโคจรและคงจะรับหายไปจากสายตาก่อนเวลาตกลับไปจากพื้นโลกแท้จริงอันเนื่องมาจากยอดเขาสูงลูกนั้นบังใบในขณะที่เราอยู่บนเนินจันเนินนี้เราผมหมายถึงระหว่างผมเองกับแงซายคิดกันว่ามันน่าจะต้องมีอะไรเกี่ยวพันกันบ้างเป็นแน่ สำหรับเขาสิวเทพลูกนั้นกับจันเสี่ยวขึ้นห้าคาอันแทนความหมายปิ่นพระศิวะก็น่าคิดนะน่าคิดถ้าจะพิจารณาตามข้อความของลายแทงที่ว่าปิ่นพระศิวะฉายแสงเรืองรองขึ้นเมื่อใดอในที่นี้เราน่าจะมองความหมายเราเราเห็นสองประการได้ละปิ่นก็คือจันเสี่ยวห้าคา ที่จะปรากฏให้เห็นในคืนพรุ่งนี้สิวเทพก็มีตัวตนอยู่แล้วคือภูเขารูปร่างประหลาดลูกนั้นอ่ะแล้วยังไงต่อไปล่ะสำหรับความคิดของคุณกระแง่ใสาเนะี่ยแง่ใายบอกผมว่าเฝ้ามองดูจันทร์เสี้ยวในคืนนี้ตั้งแต่ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าลนะ่ะและได้นั่งพิจารณาอยู่ตลอดเวลาขณะที่ขึ้นมาเฝ้ายามอยู่บนเนินจันทร์นี่ จนกระทั่งมันลับเหลี่ยมเขาหายไปเพื่อจะรอสังเกตดูว่ามันจะมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างใดบ้างที่จะให้ข้อคิดสําหรับเฉลยปริศนาลายแทงในคืนพรุ่งนี้ได้แต่เห็นบอกว่าไม่ได้ผลอะไรขึ้นหน้าทั้งสิน้นพระจันทร์ขึ้นแล้วก็ตกลับหายไปอย่างธรรมดาที่เคยมองเห็นทั่วๆไปนั่นแหละครับท่านหัวหน้าคณะยกมือขึ้นลูปคางมองพลานใหญ่กับคนใช้พิเศษสลับกันอยู่เช่นนั้น แล้วเอื้อมมือออกไปจับแขนไว้คนละด้านบีบแน่นนี่ไม่นึกเลยนะว่าระหว่างที่พวกเรากำลังตกใจอยู่กับเรื่องภัยจากไอหมาป่าพวกนั้นจะลืมเรื่องนี้ไปซะแล้วคุณกระแงใสยยังไม่ยอมลืมอุตสามานั่งคิดค้น ป, ปริศนากันอยู่สองคนเพื่อเตรียมการไว้ล่วงหน้าโดยไม่ยอมอยู่เฉยๆผมคิดว่าถึงยังไงคืนนี้มันก็คงไม่ช่วยให้เราเกิดไอเดียอะไรขึ้นมาได้หรอกคุณ เพราะมันยังไม่ถึงเวลาตามระบุไว้ในลายแทงเอาไว้ให้ตะวันตกดินพรุ่งนี้ซะก่อนสิพวกเราทุกคนจะช่วยกันทั้งหมดและเชษดาก็ชวนน้องสาวกับพรานใหญ่กลับลงมายังที่พักขณะนั้นมันเป็นเวลาใกล้เคียงกับการรับยามต่อของบุญคำพอดีตาพรานเท่าจึงให้แง่ท า, ายพ้นหน้าที่ไปได้เองกลับไปนอนได้ข้าจะเฝ้าแทนแง่ทา ย, ายแกบอก เงาทรายยังอึกอักรีรออยู่เกรงนายหญิงเพราะรู้อยู่ว่านายหญิงออกจะฉุนฉุนอยู่แต่ก็ค่อยปลอดโปรงสบายใจขึ้นเมื่อได้ยินน้ำเสียงอันกอบไปได้วยความปราณีบอกมาว่าอ่ะจะลงมานอนก็มาที่เงาทายหมดหน้าที่ของเราแล้วไม่ใช่เหรอสี่คนเดินกลับลงมายังแคมป์พักนอนซึ่งพักพวกยังคงหลับสนิทอยู่เช่นนั้นโดยปล่อยให้บุญคา ทำหน้าที่เฝ้ายามระวังภัยอยู่บนเนินเพียงคนเดียวต่างเข้าประจาที่นอนคนอื่นๆกลับลงมาพร้อมกันคงจะนอนหลับไปแล้วด้วยความเมื่อยล้าอ่อนเพลียจะมีก็แต่ดารินคนเดียวเท่านั้นที่ยังคอยสะดุ้งผวาหวาดอยู่หับตาลงไปได้ชั่วไม่นานก็ค่อยรีเปลือกตาขึ้นชำเลืองมองออกไปยังเงามืดเบื้องนอก ทางด้านปลายเท้าอยู่เป็นระยะกลัวว่าจะมีภาพอะไรที่จำได้ติดหูติดตามาลอยวนให้เห็นอีกแต่ก็ราบข้าเป็นดุจเสนีดีไม่ปรากฏวี่แววของอะไรเข้ามารบกวนจักสุประศาสตร์อีกเลยต่อมาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงหญิงสาวจึงพลอยหลับไปทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปอย่างปกติเรียบร้อยจนกระทั่ง รุ่งเช้าทั้งหมดตื่นขึ้นมาเห็นหน้ากันอีกครั้งด้วยความประหลาดใจเหลือที่จะกล่าวได้เพราะต่างคิดทบทวนถึงเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่ปรากฏว่าจะมีวี่แววของกองทัพหมาพวกนั้นแผ่วพานเข้ามาใกล้อย่างที่คิดกันไว้เลยไม่มีเหตุการณ์ใดๆมาทำให้ต้องสะดุง้งตื่นพรวดพราดขึ้นมาทั้งสิน้นนับจากเวลาที่เชษฐาดารินรพินและงแง่ทรายเข้าน อ, นอนเป็นชุดละ ยกเว้นพวกที่ตื่นขึ้นมาผลักเวียนยามซึ่งทำติดต่อกันจนกระทั่งสว่างแปลกจริงมันเป็นไปได้ยังไงนี่เมื่อคืนไอ้หมาพวกนั้นไม่ได้ยกกองทัพเข้ามาบุกเราหรอกเหรอชยันร้องขึ้นภายหลังเมื่อลุกขึ้นมานั่งกระพริบตาทีทีมองหน้าพักพวกทุกคนทั้งหมดพากันหลับเป็นตายไปอย่างสบายจนกระทั่งเวลาล่วงเลยมาจนเกือบเก้าโมงเช้า กระพินไพรวันเองก็ออกจมืนงงต่อเหตุการณ์อยู่ไม่น้อยเขายกมือขึ้นขยี้ตาแล้วลุกขึ้นยืนขณะนั้นเองก็ได้ยินเสียงฝีเท้าวิ่งเยาะๆาะขึ้นมายิงก้าวออกจากบริเวณที่พักไปสู่เส้นทางเดินด้านนอกหินจัน์ก็เกิดอันเป็นยามผลัดสุดท้ายก่อนสว่างพากันวิ่งขึ้นมาจากทาน้ำเบื้องล่างพอมองเห็นเขาทั้งหมดก็โบกไม้โบกมือตะโกนลั่นขึ้นมาอย่างยินดีว่านายนาย พวกมันย้ายขบวนกันไปหมดแล้วละนายข้ามเขาเตี้ยตีบไปทางด้านตะวันออกตั้งแต่ตอนตีสีเมื่อคืนนี้แล้วละ่ะตามกวางฝูงใหญ่ไปเราไม่ต้องรบ ก, กับพวกมันอีกแล้วละนายเสียงตะโกนระล่ำละลักนั้นได้ยินทั่วทุกคนอยู่ในแคมป์จนแทบจะเชื่อเสียไม่ได้เชธาชายันดารินและมาเรียก็วิ่งพรวดแพร่ออกมาพร้อมๆกันด้วยความตื่นเต้นยินดีเหลือที่จะกล่าว